จเจริญพรทุกท่านได้ข่าวว่าบางคนมาตั้งแต่แปดโมงเช้านะรีบเลยนะเหนื่อยแย่เลยอุษาจะมาฟังเทศที่จริงแล้วการสแสวงหาธรรมะนะเราคิดว่าเรามาแต่แปดโมงว่าลำบากมากเงเทียบกับที่พระพุทธเจ้าลำบากนะห่างกันไกล ท่านลำบากกว่าพวกเราเยอะแยะเลยกว่าจะสแสวงหาธรรมะมาสอนพวกเราได้หรือรุ่นครูบาอาจารย์กว่าจะพาวนาเป็นนะขึ้นเขาลงห้วยลำบากเที่ยวหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์รุ่นถัดมาเ็เที่ยวหาหลวงปู่มั่นหาอะไรนะลำบากในการเที่ยวสแสวงหาครูบาอาจารย์ รนของเราไม่ลําบากเท่าไหร่นั่งรถมาฟังเทศบางคนสะดวกกว่านั้นนะเปิดอินเทอร์เน็ตก็เจอละธรรมะเลยเป็นของหาง่ายนี่พอหาง่ายแล้วก็บางคนเลยผลัดเอาไว้ก่อนไว้ว่างๆแล้วค่อยปฏิบัติมันไม่เหมือนคนที่สแสวงหาธรรมะมาตั้งแต่แรกด้วยความลําบากคนพวกนี้พอได้ยินได้ฟังธรรมะแล้ว ทุ่มเทชีวิตจิตใจกับการปฏิบัติธรรมรู้เลยว่าชีวิตเราเนียมีหน้าที่หลักคือการพัฒนาจิตใจของเราไปสู่ความพน้นทุกข์ให้ได้ส่วนการจะอยู่กับโลกทำมาหากินอะไรนี้เป็นแค่เครื่องอาศัยชั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองงานจริงๆของเราคือยกระดับใจของเราไปสู่ความพน้นทุกข์ให้ได้ สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะเราคงได้เคยได้ยินบอกว่าตั้ง 84,000 พันระธรรมขันธ์แป0พันระธรรมขันธ์เนี่ยมีมากมายเพราะว่าจริตนิสัยของคนแตกต่างกันคนแต่ละคนเนี่ยต้องการธรรมะนิดเดียวรู้หลักปฏิบัติที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็ลงมือปฏิบัติไปให้สมควรแก่ธรรมะเจวันเดเดือน7ปีก็ได้ธรรมะกันนะเรา ศึกษาศึกษาให้ดีพวกเราช่วยปิดมือถือก่อนนะปิดเสียงก่อนก็ได้ให้เวลาปิดนะแล้วก็ตอนหลวงพ่อเทศก็งดถ่ายรูปก่อนนะเวลาที่เราฟังธรรมเนี่ยเป็นเวลาที่มีความสําคัญมากพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วก็จริงนะแต่ว่าก่อนปรินิพานเนี่ยพระอานนถามท่านว่าจะให้ใครเป็นาศาสดาแทนท่าน ท่านให้พระธรรมวินัยเป็นศาสนาแทนท่านเพราะฉะั้นเวลาแห่งการฟังธรรมเนี่ยคือเวลาที่เรากําลังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเราต้องมีความสงบต้องมีความสํารวมค่อยๆตั้งใจค่อยๆฟังไปจึงเข้าใจวิธีปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้ามีมากมายก็จริงนะแต่ว่าขอบเขตของธรรมะ ม, มีนิดเดียวว่าทําไงจะไม่ทุกข์เท่านั้นเอง งั้นศาสนาพุทธเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกวับความทุกข์อันหนึง่งวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อันนึง่งขอบเขตมีอยู่เท่านี้เองถ้าพวกเรายัางไม่ได้เคยเรียนรู้ทุกข์นะเราก็ไม่รู้วิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะถึงเราจะเข้าวัดทำบุญทําทานนะทุ่มเงินเป็นล้านๆไปนั่งสมาธิมีเดินจงกรมนะแต่เราไม่รู้ว่าทําไปเพื่อความพ้นทุกข์นะเรายังห่างไกลกับพระพุทธศาสนามากเลย พระพุทธศาสนาไม่ใช่ตื้นๆแค่ว่าการทําทานการถือศีลการนั่งสมาธิให้จิตสงบการทําทานการถือศีลการนั่งสมาธิให้จิตสงบมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้ามัมีมาก่อนพระพุทธเจ้ากระทั่งการเข้าสมาธิตอนเจ้าชายสิทธาถาออกจากวังมาสิ่งแรกที่ท่านคิดถึงก็คือการนั่งสมาธิมันก็เหมือนพวกเรา ทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติทำที่ไรเราคิดถึงการนั่งสมาธิก่อนเลยแล้ไม่ก็ไปเดินจงกรมเราคิดอยู่แค่นี้นะชาชายสิทธาเขาไปเรียนกับลือศีเรียนไม่กี่วันจบหลักสูตรของลือศีเข้าชานที่7เข้าชานที่8ปดได้ก็ถามลือศีว่ามีเท่านี้หรอลือศีบอกจบล้จบหลักสูตรแล้วก็จิตสงบแล้วนี่ชาชายสิทธาไม่พอใจแค่นั้นท่านพมว่าถึงนั่งสมาธิให้จิตสงบนะ พอออกจากสมาธิจิตก็ฟุ้งซ่านใหม่กิเลสกลับมาอีกแล้วนะงั้นการทำทานการถือศีลการนั่งสมาธิอะไรที่เขาทำทำกันมานะท่านบอกว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่หนทางที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์ที่แท้จริงท่านก็ออกมาฝึกด้วยตัวเอ ง, สงแสวงหาธรรมะด้วยตัวเองมาทรมานร่างกายอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนนะ อยากสุขอยากสบายก็ไม่นั่งบนหนามบนตะปูซะเลยนะให้มันทรมานเป็นการดัดใจตัวเองฝึกใจตัวเองใจมันอยากสุขอยากสบายก็ไม่ให้มันสุขไม่ให้มันสบายทรมานมันแกล้งมันไปเลยหวังว่าวันหนึ่งจะพ้นทุกข์พ้นอำนาจของความอยากได้นี่ท่านทรมานจนกระทั่งเกือบตายท่านก็พราบว่าไม่เห็นมันจะพ้นทุกข์ตรงไหนเลยการแกล้งทําตัวเองให้ลําบากมันไม่ได้ทําให้พ้นทุกข์ การไปนั่งสมาธิสงบลึกเข้าไปนะเห็นน้นเห็นนี่อะไรนี่ยิง่งใช้ไม่ได้ใหญ่เลยนะนั่งแล้วเห็นนิมกนิมิตอนะไรนียังไม่ถึงฌานลึกๆเลยอย่างนั่งสมาธิพวกเราบางคนนั่งสมาธิเราชอบเห็นนิมิตนิมิตยังไม่ได้ปฐมฌานเลยนะตื้นกว่านั้นอีกเนี่ยกระทั่งฌานที่7จฌานที่8ท่านยังบอกไม่ใช่เลยนะไม่ใช่ทางนี่พวกเราเราก็ดูบทเรียนที่พระพุทธเจ้าท่านดําเนินมานะ เบื้องต้นท่านเป็นเจ้าชายมีชีวิตที่มีความสุขมากมีอะไรต่ออะไรสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมีรูปที่สวยๆให้ดูมีเสียงเพลาะมีกลิ่นหอมมีสัมผัสนุ่มนวลมีสาวๆแวดล้อมเยอะแยะเลยตามใจกิเลสไปเรื่อยๆท่านพบว่ามันก็ไม่ใช่ถางออกมานั่งสมาธิทำความสงบท่านก็พบว่ามันไม่ใช่ทาง ไปทรมานกายทรมานใจท่านก็พบว่ามันไม่ใช่ทางนี่พวกเราทุกวันนี้นะเราก็ยังทําในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคยสรุปมาแล้วว่าไม่ใช่ทางอย่างว่าเราอยากมีความสุขเราก็เที่ยวหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจไปวันหนึ่งวันหนึ่งดูหนังฟังเพลงหาอะไรกินอร่อยๆคิด่อมีความสุขไปเรื่อยๆหลอกตัวเองไปวันหนึ่งวันหนึ่ง ไม่นานก็แก่ไม่นานก็เจ็บไม่นานก็ตายอย่างเจ็บหนักๆ น, นะอยากกินของอร่อยไม่ไม่อยากแล้วเห็นของสวยของงามก็ไม่อยากจะดูแล้วงั้นสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงนะทรัพย์สินเงินทองอะไรมันแค่ของอาศัยอยู่กับโลกเท่านั้นเองความสุขในโลกโลกอาศัยอยู่กับโลกได้ชั่วครั้งชั่วคราวก็จะนาความทุกข์มาทีหลังด้วย อย่างเรารักเราผูกพันกับสิ่งใดนะสิ่งนั้นจะนาทุกข์นำโทษมาให้เร า, าเรามีบ้านเราก็ห่วงบ้านนีมีสามีมีภรรยาก็ห่วงมีลูกก็ห่วงมีสมบัติก็ห่วงมีอะไรก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นอยู่เรื่อยๆไปนั่งสมาธิหรือไปทำบุญทาทานพวกเราเคยั้ยทำทานบริจาคเงินแล้วก็ขอให้ได้มากผลนิพพานเคยไหมคนละเรื่องกันนะ ระหว่างทำทานกับมรรคผลนี่ผ่านคุณเรื่องกันนะยังไกลกันมากเลยพระเวสสันดร น, นะทำทานมากขนาดไหนขนาดว่าลูกก็ยกให้เขาเมียก็ยกให้เขาใช่ไหมชีวิตเนี้ถ้าใครมาขอก็จะยกให้ไม่บรลุยังไม่บรรลุเลยใช่ไทำทานถึงขนาดนั้นพวกเราทำถึงขนาดนั้นไหมเรากล้ายกลูกที่เรารักให้คนอื่นไหมเราก็ไม่กล้าเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะเพราะงั้นเราอย่ามาติดอยู่แค่ การทำบุญทำทานการถือศีลการนั่งสมาธิอะไรพวกนี้ไม่พอเราอยัางเป็นชาวพุทธที่แท้จริงไม่ได้ชาวพุทธที่แท้จริงเนี่ยต้องก้าวไปสู่ขั้นการเจริญปัญญาให้ได้พระพุทธเจ้าเคยสอนนะบอกว่าบุคคลเนี่ยถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาคือความเข้าใจความเป็นจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรา ไม่ใช่เข้าใจสิ่งอื่นด้วยเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเพราะฉะนั้นการเจริญปัญญาหรือที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานที่แท้จริงนะคือการเรียนรู้ความเป็นจริงของกายของใจนะเนี่ยเราก็จะได้ยินเรื่อยๆนะเปิดคอร์สทำวิปัสสนาวิปัสสนาเอาเข้อจริงยังไม่ถึงวิปัสสนาอีกนะการทำวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่แค่การเห็นกายเห็นใจนะแต่ต้องมีปัญญา เห็นความจริงของกายของใจเรียกว่าเคยได้ยินคำว่าไตรลักษณ์ไหมอันนี้จังทุกขังอนัตตาถ้าเราไม่เห็นร่างกายเป็นอนนี้จังทุกขังอนัตตาไม่เห็นว่าจิตใจเราเป็นอนนี้จังทุกขังอนัตตานะไม่เรียกว่าทำวิปัสสนานะอย่างเราเห็นท้องพองเห็นท้องยุบเห็นเท้านะยกเท้าย่างเท้าอะไรเงี้ยเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกนั่นมันเห็นร่างกายนะเห็นรูปยังไม่ใช่วิปัสสนาตัวจริง นะงั้นถึงเราจะเรียกว่าทําวิปัสสนามันก็ยังไม่ใช่วิปัสสนาปัญญาที่แท้จริงไม่เกิดออกนะการจะทําวิปัสสนาได้นะมันมีเครื่องมือที่สาคัญอยู่สองตัวตัวที่หนึ่งคือสติตัวที่สองคือสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยไม่เหมือนสมาธิที่ฤาษีเขาทำกันนะอย่างฤาษีทาสมาธินะอย่างเพ่งไฟเพ่งอะไรต่ออะไรไป จิตสงบอยู่กับไฟครับจทั่งดวงไฟหายไปนะกลายเป็นแสงสว่างเป็นดวงสว่างนะไปดูดวงสว่างปฏิภาคนิมิตอะไรอยเงี้ยนะไม่ใช่ถังนะไม่ใช่ถังเจ้าช่ยเศรษฐท่านสรุปแล้วว่า ก, การไปนั่งสมาธิอย่างนั้นก็ไม่ใช่การทรมานตัวเองก็ไม่ใช่เสร็จแล้วท่านมานึกถึงสมาธิชนิดใหม่นะตอนท่านเด็กๆ ตอนเจ้าชายเสีธ ท, ทาเป็นเด็กๆนะประมาณ7ขวบอะไรเงี้ยพระเจ้าสุดโททนะไปแลกหนักหวานพี่เลี้ยงเอาเจ้าชายเสีธ ท, ทาไปไว้ใต้ต้นไม้ท่านก็นอนเล่นอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็พอพี่เลี้ยงไปแล้วท่านลุกขึ้นนั่งสมาธิท่านกําหนดลมหายใจนะหายใจออกหายใจเข้าด้วยความรู้สึกตัวจิตได้ปฐมฌานปฐมฌานแบบนี้ไม่เหมือนฌานของฤๅษีนะ ฌานฤสีฌาน7ฌาน8ก็ต้องผ่านปฐมฌานแต่ว่าปฐมฌานมันมี2แบบคือฌานมันมี2แบบสมาธิมันมี2แบบแบบอันหนึ่งเนี่ยจิตไปสงบอยู่ที่อารมณ์แบบที่2นะที่แบบเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตตั้งมั่นรู้อารมณ์จิตสงบอยู่ในรมเช่นเราพุโทโธพุโทโธจิตเราไปอยู่กับพุโทโธหรือเราหายใจออกหายใจเข้าจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจ เราดูท้องพองยกจิตเราไปอยู่ที่ท้องเรายกเท้าย่างเท้าจิตไปอยู่ที่เท้าอย่างนี้เรียกว่าสมาธิเพ่งอารมณ์หรืออารัมมณูปนิชนันนะสมาธิเพ่งอารมณ์ทําได้แต่สมถกรรมฐานไม่เกิดปัญญาหรอกมันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งคำว่าสมาธิถ้าเราไปเปิดโพชนาทุกลมดูนะสมาธิในโพชนานุกรมจะแปลว่าความตั้งมั่นของจิตความตั้งมั่นของจิตเนี่ยจิตมันจะถอดถอนตัวเองเออกมาเป็นคนดูนะงั้นเวลา ที่เราจะฝึกสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยให้มีสตินะคอยรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตของเราเนี่ยไม่ตั้งมั่นหรอกปกติจะไหลตลอดเวลาชอบหนีไปคิดนะจิตชอบหนีไปคิดมากที่สุดจิตหนีไปดูจิตหนีไปฟังอะไรนี่ลองลงมานะอย่างตรงนี้มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งนะองค์ใหญ่พวกเราลองสังเกตนะว่าท่านเป็นพระแบบไหนลองดูให้ดีพระเกตยอดสุดะ เป็นรูปอะไรดูซิค่อยๆดูไปนะเห็นไหมเป็นพระเมรีเห็นอะไรไหมเห็นหูท่านยาวๆไหมสังเกตไหมขณะที่เราสนใจดูพระพุทธรูปเนี้ยเราเห็นพระพุทธรูปแต่เราลืมตัวเราเองแล้นี้จิตเราไปอยู่ที่พระนึกออกไหมขณะที่เราดูพระพุทธรูปจิตเราไปอยู่ที่พระพุทธรูปในขณะนั้นมีร่างกายเราลืมร่างกายมีจิตใจเราก็ลืมจิตใจของตัวเอง ขาดนี้แหละเรียกว่าจิตไม่ตั้งมัน่นจิตมันไหลไปไหมไหลไปทางตาไปดูพระเวลาเราได้ยินคนเขาคุยกันเราตั้งใจฟังเขาคุยกันเราก็จะลืมตัวเราเองจิตไหลไปทางหูไปฟังเขาเวลาเราอยู่คนเดียวจิตจะไหลไปคิดหลวงพ่อจะทดสอบให้พวกเราดูว่าอยู่เฉยๆจิตก็ไหลไปคิดได้ต่อไปนี้หลวงพ่อจะหยุดพูดสักแป๊บหนึ่งนะห้ามพวกเราคิดนะห้ามคิดนะหลวงพ่อจะหยุดพูดแล้วโชคที่หยุดพูดเนี่ยห้ามคิด คิดไหมคิดอุตลุดเลยนะคิดไม่หยุดเลยเเนี่ยเวลาที่จิตมันคิดเนี่ยพอเราไปรู้เรื่องที่คิดเมื่อไหร่นะมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีใจก็ลืมใจเนี่ยโดยธรรมชาติของจิตนจะไหลออกข้างนอกตลอดเวลาคือไม่มีความตั้งมั่นเมื่อจิตไม่มีความตั้งมั่นเนี่ยจะลืมกายลืมใจนะไม่สามารถเห็นกายเห็นใจได้มีวิธีการที่เราจะฝึกให้มีสมาธิที่ถูกต้องไม่ใช่สมาธิแบบรือสีนะ ก็คือคอยรู้ทันนะอาจจะพุโทโธก็ได้หัดจะรู้ลมหายใจจะดูท้องพองยุบจะเดินจงกรมก็ได้แต่ไม่ใช่ทำไปเพื่อให้จิตไปสงบอยู่ที่ลมหายใจที่มือที่เท้าที่ท้องนะทำไปเพื่อคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปนะเช่นราหัสพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะพุโทโธไปสบายๆพุโทโธพุโทโธอย่างเงี้ยจิตมันหนีไปคิดปุ๊บรู้ทันนะ หรือเราดูท้องพองยุบอยู่จิตหนีไปคิดต่อรู้ทันเราหายใจออกหายใจเข้าจิตหนีไปคิดต่อรู้ทันบางทีไม่หนีไปคิดแต่หนีไปเพ่งไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจไหลไปอยู่ที่ท้องไหลไปอยู่ที่เท้าถ้าจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้นะจิตเคลื่อนไปเพ่งที่ใดที่หนึ่งก็คอยรู้ตรงที่เรารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปนะั่นแหละจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะเกิดสมาธิขึ้นชัวน่วขณะเรียกว่าคณิกาสมาธินะ พอ จ, จิตใจันรู้สึกตัวได้บ่อยๆขึ้นมาเนี่ยเราถึงจะเจริญปัญญาได้เพราะการเจริญปัญญาคือการเห็นความจริงของกายของใจนะว่าเป็นไตรลักษณ์แล้วถ้าเมื่ อ, อไร่ลืมกายลืมใจก็ไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้แล้วพวกเราวันหนึ่งลืมกายลืมใจสักเท่าไหร่นึกออกไหมเยอะแยะเลยเราลืมตัวเองตลอดเวลานะดังนั้นเราไม่สามารถจะทํำวิปัสสนาได้จริงเพราะเราลืมตัวเราเอง กรนะทั่งไปดูท้องพองยุบเห็นท้องพองท้องยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องนะก็จิตเคลื่อนไปแล้วจิตไม่ได้ถอยตัวออกมาเป็นคนดูนะจะทำวิปัสสนาไม่ได้จริงหรอกนะจะเกิดลิมิตขึ้นเกิดอาการของสมาธิสมถะ ท, ทั้งหมดเลยนะงั้นที่บอกทำวิปัสสนาวิปัสสนาเพราจริงไม่ค่อยมีใครทํำวิปัสสนาเพราะจิตไม่ได้ตั้งมั่นวิปัสสนาเนี่ยเป็นการเจริญปัญญานะในพระพิธรรมสอนบอกว่า สมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่สมาธิชนิดต้องสมาธิที่ถูกนะสมาธิแบบฤาษีไม่เกิดปัญญาสมาธิที่จิตเคลื่อนไปนิ่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งอย่างเราดูไฟจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ไฟนิ่งไม่คิดอะไรอย่างนี้ได้สมาธิอย่างฤาษี แต่ถ้าจะเป็นสมาธิอย่างพระพุทธเจ้านะจิตเคลื่อนไปที่ไฟรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปแล้วจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันว่าจิตเคลื่อนนะจิตเคลื่อนไปดูท้องรู้ว่าจิตเคลื่อนไปดูท้องจิตเคลื่อนไปดูพระพุทธรูปรู้ว่าจิตเคลื่อนออกไปแล้วการที่เราคอยรู้ทันว่าจิตเคลื่อนจิตเคลื่อนไปบ่อยนีจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะถ้าทําตัวนี้ไม่ได้นะอย่ามาพูดเลยชาติเนี้ยเรื่องมรรคผลนิพพานไม่มีทางหรอกเพราะไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ เราได้แต่หลอกกันนะให้ทำอย่างนู้นทําอย่างนี้ไปเหนื่อยเปล่าๆสิปี20 ป, ปีก็เหมือนเดิมนั่นแหละใช่ไหมใครเคยฝึกฝึกวนไปวนมาก็ซ้ำๆอยู่ที่เดิมนั่นเองก็เหมือนเดิมกี่ปีก็เหมือนเดิมลายก็ลายอย่างเดิมนะไม่สามารถถอนกิเลสได้งั้นเราต้องพยายามมาฝึกนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้ได้จิตเราหนีไปเรารู้จิตหนีไปเรารู้จิตจะหนีเป็น2แบบใหญ่ๆห น, ะนีไปหาหาอารมณ์นะ เช่นหนีไปดูหนีไปฟังหนีไปคิดอะส่วนใหญ่จะหนีไปคิดมากที่สุด น, นะอีกแบบหนึ่งก็คือหนีไปเพ่งเคลื่อนไปแล้วไปนิ่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งไปนิ่งอยู่ที่ลมหายใจนิ่งอยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องถ้าจิตเคลื่อนเมื่อไหร่ให้รู้ทันจิตเคลื่อนเมื่อไหร่ให้รู้ทันนะไปฝึกกรรมฐานอย่างที่เคยฝึกนั่นแหละแต่ไม่ได้ฝึกเพื่อเอาความสงบอีกต่อไปละฝึกให้คอยรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปนะเครดูท้องพองยุบก็ดูไป ถ้าจิตเคลื่อนไปที่ท้องให้รู้ทันจิตเคลื่อนไปคิดให้รู้ทันนะใครจะเคยเพ่งดวงแก้วก็ไม่เป็นไรถ้าจิตเคลื่อนไปที่ดวงแก้วก็ให้รู้ทันจิตเคลื่อนไปคิดก็ให้รู้ทันใช้หลักอันเดียวกันนี่แหละในที่สุดเราจะได้จิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมานะถ้าจิตเรามีสมาธิที่ถูกต้องแล้วมันจะเกิดอาการชนิดหนึ่งขึ้นมามันจะรู้สึกว่าร่างกายกับจิตใจนี่เป็นคนละ Alle. อันกันร่างกายมันนั่งอยู่นะจิตใจเป็นคนดู ร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนจิตใจเป็นคนดูร่างกายหายใจออกจิตใจเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าจิตใจเป็นคนดูจะรู้สึกว่ากายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันตรงที่กายกับใจเป็นคนละอันเนี่ยนะเรียกว่านามรูปปริเฉทายานนะไม่ใช่ว่าท้องพองอันหนึ่งท้องยุบอันหนึ่งแล้วเป็นนามรูปปริเฉษทายานไอ้นั่นรูปกับรูปไม่ใช่รูปกับนามนะ รูมันเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้ใจเราเป็นคนรู้เป็นนมามธรรมนะค่อยๆดูไปถ้าจิตเราไม่หลงไปไม่ไหลไปนะจิตตั้งมั่นอยู่เนี่ยจะไม่ยากเลยที่จะเห็นว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้านะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อนะทุกวันเนี้มีนับจํานวนไม่ท้วนหออกนะพวกนี้เขาฝึกอยู่ช่วงเดียวเท่านะั้นนะบางคนเดือนหนึ่งสองเดือนเท่านั้น กายกับใจแยกออกจากกันได้แล้วนะเขาจะเห็นร่างกายเป็นทํางานใจเป็นคนดูความสุขความทุกข์ก็แยกออกไปอีกส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจนะเป็นความเป็นเวทนาขันเป็นนมามธรรมอีกอย่างหนึง่งเขาจะเห็นว่ากิเลสหรือกุศลก็แยกออกไปอยู่อีกส่วนหนึ่งความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าเราโกรธแต่จะเห็นว่าความโกรธเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้านะ เนีต้องค่อยๆฝึกอย่างนี้นะแยกแยกแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนะอย่างมันจะเห็นในร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วโลภโกรธหลงอะไรนี้อยู่ส่วนหนึ่งใจที่เป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยแยกขันนั่นเองการที่แยกขันหัดแยกขันไปเรื่อยถ้าแยกขันไม่เป็นขึ้นวิปัสสนาไม่ได้นะแยกขันไม่เป็นขึ้นวิปัสสนาไม่ได้เพระฉะนั้นต้องค่อยๆฝึกเอา ้นอยากจเจริญปัญญาที่แท้จริงอยากได้มากผลนิพพานที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ไปนั่งสมาธิให้สงบเฉยๆนะต้องพยายามแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปนะเห็นร่างกายมันเนี่ยทุกคนลองยกมือซิยกมือยกมือเนี่ยราก็รู้สึกถึงร่างกายที่ยกมือแล้วมือลงซิเห็นไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวลองขยับหน้าซิเห็นไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวนี่ยคยรู้สึกนะค่อยๆรู้สึกไป หรือความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้เอาเืนะ้องต้นดูง่ายๆมันจะมีความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆขณะนี้พวกเราส่วนใหญ่จะรู้สึกเฉยๆบางคนงงด้วยซ้ำไปยังไฟังพระคนนี้พูดเรื่องอะไรฟังไม่รู้เรืนะ่องนะอย่ารุ้มใจนะฟังจีแรกเนี่ยหาคนที่รู้เรื่องที่หลวงพ่อพูดเนี่ยยากที่สุดเลยนะแต่พอฟังไปฟังไปนะไปฟังซีดีฟังอะไรซ้าๆอะ่ะ ถึงวันหนึ่งน่นจะเกิดความเข้าใจที่ประหลาดขึ้นมาไม่ว่าจะไปอ่านธรรมะของใครหรือไปฟังธรรมะของใครก็เข้าใจนะไอ่านพระไตรปิฎกก็เข้าใจเกิดความเข้าใจขึ้นมาฟังที่หลวงพ่อพูดไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องนี่แหละนะฟังบ่อยๆนะ้ะวันหนึ่งจะเข้าใจต่อไปได้ยินใครพูดธรรมะเนี่ยรู้เลยว่าคนนี้อยู่ตรงจุดไหนอยู่ในระดับทำทานถือศีลอยู่ในระดับสมาธิลือีหรือสมาธิแบบพุทธ นะสมาีิแบบพุดธแล้วแยกขันนะเห็นไตรลักษณ์ของขันได้ไหมนะจะเห็นจะรู้เป็นขั้น ข, นขนัขั้นไปนะันั้นจะใช้เวลาไม่นานหรอกอดทนนิดนึงใหม่ๆไม่เคยฟังหลวงพ่อแล้วก็หัวทับชนกำแพงทุกคนนะนะเพราะอะไรไม่เทศตามใจโ ย, ยมนะเทศฟังแบบที่เคยฟังฟังแล้วฟังอีกกิเลสไม่ลด ล, หละหรอก ต้องฟังธรรมะอย่ที่สามารถแยกธาตุแยกขันตัวเองได้กายส่วนกายใจส่วนใจความสุขความทุกข์ก็อยู่อีกส่วนหนึ่งกุศลหรือกิเลสก็อยู่อีกส่วนหนึ่งนะใจเป็นคนดูอยู่ตาหากนะค่อยๆฝึกค่อยๆ ฝ, ฝึกไปนะจะใช้เวลาไม่นานนะถ้าทําอย่างที่หลวงพ่อบอกได้7วัน7เดือน7ปีต้องได้อะไรบ้างยกเว้นพวกที่ดีเกินไปกระเลวเกินไป พวกดีเกินไปอย่างพวกที่อยากได้พุทธภูมิอย่างเงี้ยนะจิตก็ไม่ตัดก็จะเป็นปุถุชนเรื่อยๆไปพวกหนึ่งก็คือพวกเลวเกินไปนะพวกฆ่าพ่อฆ่าแม่มาเนี่ยพวกนี้ภานามไม่ขึ้นพวกด่าพระอริยะภานามให้ขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นพระอริยะใช่ไหมงัม้นเราอย่าไปด่าใครเสียงแต่ด่าหมาด่าแมวเนี่ยชัวว่าไม่เป็นพระอริยะพระอริยะไม่เป็นหมาแน่ไม่เกิดเป็นเดรัจฉาน อย่างกับคนเนี่ยนะคนยากคนจนอะไรเนี่ยเราไม่รู้ใครเป็นพระโสดาบันไม่อะไรเงี้ยเราไม่รู้หรอกนะงั้นเราอย่าไปประมาดล่วงเกินใครเขาเนะี่ยถ้าเราไม่ดีเกินไปหวังพุทธภูมิหรือเร็วเกินไปนะถ้าทําถูกต้องเช่นวันเจรินเจ็ปีควรจะได้อะไรบ้างควรจะนะควรจะนะแล้วก็ถ้าทําอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่จะเข้าใจคําสอนของพระเจ้านะอย่างลึกซึ้งเลย พวกเราเคยได้ยินไหมผู้เจ้าสอนบอกว่าจับใดที่มีผู้เจริญสติปัฏฐานโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์เคยได้ยินไหมประโยคนี้ถ้าเจริญสติปัฏฐานทำไงอ่ะไม่ใช่ดูท้องพองท้องยุบนะไม่ใช่รู้หายใจออกหายใจเข้านะน่ไม่ใช่สติปัฏฐานสติปัฏฐานจริงจิตต้องตั้งมั่นก่อนนะจิตต้องตั้งมั่นก่อนแล้วก็มันจะเห็นกายเห็นใจมันทางานมีสติรู้สึก ร่างกายที่เคลื่อนไหวมีสติรู้สึกจิตใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใจเป็นแค่คนดูเห็นทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกเางเจ็7วันเเดือนเปีไม่ยากเกินไปแต่ว่าต้องอาศัยได้ยินได้ฟังรู้วิธีปฏิบัติรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมะนานๆปฏิบัติทีก็ไม่ได้กินหรอก การปฏิบัติธทำเนี่ยถ้าอยากได้มากผลจริงๆนะั้นเราปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยนะหลวงพ่อจะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างให้ฟังนะอย่างหลวงพ่อเองว่าจะบวชเนี่ยอายุเยอะนะไปจะบวชเนี่ยอายุ48่สเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่มีภาระนะแล้วพ่อแม่ไม่มีคนเลี้ยงหนีไปบวชก็น่าเกลียดนะไม่ใช่น่าเกลียดเลยใจเราอยอมรับไม่ได้เหมือ น, นคล้ายๆคนไม่รับผิดชอบ อากัตันอยู่เลเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พ่อแม่ตายแล้วได้ไปบวชมาบวชอายุเยอะแล้วแต่ว่าก่อนนั้นนะหัดภาวนามาตลอดเลยตอนเด็กๆก็หัดนั่งสมาธิตอนเจ็ดขวบเริ่มนั่งสมาธิแลหายใจออกหายใจเข้านะพุโทโธพุโทโธไปเรนะื่อยจิตก็สงบสว่างสว่างแล้วก็ออกไปรู้ไปเห็นของข้างนอกไปเที่ยวนอนเที่ยวนี้นะ ดูสวรรค์ดูเทวดาดูอะไแต่นรกไม่ไปดูหรอกเรื่องอะไรจะไปดูไปดูแต่สวยๆะอะไรเงี้ยดูๆอยู่พักหนึ่งนะใจมันก็นึกขึ้นมานึงมันนี่ไม่ใช่หรอกวิธีนี้นะถ้าเราออกไปแล้วเกิดไปเจอผีเขาจะทําไงกลัวผีด้วยต่อไปนี้จะหายใจไปจะรู้สึกตัวไปไม่ให้ใจออกข้างนอกไม่ให้ใจไหลไปนั้นหายใจที่จะพยายามรู้สึกตัวรู้สึกตัว ฝึกไปฝึกไปจนกระทั่งมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นใจเคลื่อนไปเรารู้ทันนะใจก็ตั้งขึ้นมาใจเคลื่อนไปรู้ทันแล้วก็ตั้งขึ้นมาได้สมาธิที่ถูกต้องนะแลต่ไปต่อไม่เป็นไปต่อไม่เป็นไม่รู้จะภาวนายัางไงไม่มีครูบาอาจารย์ตอนเด็กๆเนี่ยพ่อพาไปวัดอโศการามไปเรียนจากท่านพ่อหลีมานี่ท่านพ่อหลีเนี่ยอยู่มาอีก2ปีนะท่านก็สิ้นนะท่านสิ้นไปปี06นนะ เราไม่มีครูบาอาจารย์จะสอนวิปัสสนาให้ก็ทําแต่สมาธิเรื่อยๆมาทําสมาธิอยู่22่สิบปีขึ้นะวิปัสสนาไม่เป็นระหว่างนั้นก็บางทีก็ได้ยินนะอ่านหนังสือเจอครูบาอาจารย์ท่านพูดโทบ้างหายใจบ้างเส็จแล้วจิตสงบแล้วมาดูร่างกายพ่อก็มาดูร่างกายบ้างนะดูผมพอดูผมแนละสมาธิมันแรงผมหายไปเลยเห็นหนังศีรสัน ดูหนังสีสารนะัาสีสัหายไปเปิดไปหมดเลยเห็นหัวก็หลกดูหัวก็หล่นหัวขาดไปเลยนะเห็นร่างกายดูร่างกายนะั้นเนื้อนหนังหายไปหมดเหลือแต่กระดูกดูกระดูกนะั้นระเบิดเปรี้ยงลงไปเลยนะกลายเป็นเม็ดเล็กๆดูเม็ดกระดูกนะกลายเป็นแสงสลายตัวเป็นแสงเหลือใจอันเดียวก็ภาวนาต่อไม่เป็นแล้วนะไม่รู้จะไปต่ อ, อยังไงอีก แล้วก็รู้สึกว่าเบื่อไม่สนุกเลยดูร่างกายแป๊บเดียวก็ระเบิดดูแป๊บเดียวก็ระเบิดไม่สนุกเช่นไปปี25งนะอยุยี 29, นะ่สิบเ้าแลนะ้เจอหลวงปู่ดุลเจหลวงปู่ดุลเนี่ยหลวงปู่ดุลท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่อศัศจรรย์มากเลยท่านสอนกรรมฐานคนแต่ละคนเนะี่ยไม่เหมือนกันนะแต่ละคนเนะี่ยไปถามกรรมฐานท่านนะท่านไม่บอกนะัท่านยังเงียบอยู่นานเลยหลับตาเงียบไปเกือบชั่วโมงนะตืมตาขึ้นมาท่านจะสอนสอนแต่ละคนไม่เหมือนกัน หลวพ่ไปถึงไปกราบท่านหลวงปู่ครับผมอยากภาวนาหลวงปู่นั่งหลับตาไปเราก็นึกว่าหลวงปู่เพิ่งฉันเข้าหลวงปู่ก็อายุเยอะนะเกือบร้อยปีแล้วหลวงปู่คงหลับไปแล้วนึกว่าหลวงปู่นั่งหลับไปแล้วเรานั่งรอเมื่อไหร่หลวงปู่จะตื่นแล้วมาสอนเรานะจริงท่านนั่งสมาธิดูนั่งสอบประวัติเราเราลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนเลยว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ อ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอแค่นี้เองนะเรารู้แล้วโอ้หลวงปู่บอกให้อ่านจิตตนเองหลวงปู่ถามเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจกำลังปลืม้มเข้าใจครับเ ข, เ, ออเข้าใจเออเข้าใจแล้วไปทําเอาทั้งว่างี้เวลาท่านนะั่งขึ้นรถไฟมาพอรถไฟเริ่มวิ่งออกจากเมืองสุรินทร์นัเใจหายเลยหลวงปู่บอกให้ดูจิตนะเราจะดูยังไง จิตอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้จิตหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยเกี่ยวกับจิตนะอยังบอกให้ดูกายยังดูได้ท่ เ, เคยดูบอกให้ดูจิตดันไปบอกท่านนะว่าเข้าใจแล้วนะงวดแต่ลืม้มตอนนั้นปนะลืมเพราะตกใจทําไงดีตกใจไม่รู้จะทําทอะไรหลวงพอก็หายใจเลยหายใจเข้าพูดหายใจออกโธทําความสงบนะนี่เป็นหลักของการปฏิบัตินะถ้าเราทําอะไรไม่ถูกทําสมาธิไว้ก่อน ให้จิตใจอยู่กับเน้อกับตัวซะก่อนงั้นสมาธิก็ไม่ใช่เคลิ้มไปนะนั่งเคลิ้มแล้วตื่นขึ้นมาอีกทีถึงกรุงเทพแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาร้ายเหมือนเดิมงั้นนั่งสมาธิไปพาจิตสงบเนี่ยก็มาพิจารณาหลวงปู่ให้ดูจิตจิตอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ในร่างกายเนี่ยจิตต้องไม่ไปอยู่ในทุ่งนาหรอกไม่อยู่ตามต้นไม้ข้างถนนข้างทางรถไฟเห็นจิตต้องอยู่ในกาย งั้นถ้าหลวงปู่สั่งให้ดูจิตเนี่ยต่อไปนี้เราจะรู้อยู่ไม่เกินกายออกไปนะเราจะคอยหาอยู่ในกายเนี่ยต้องเจอจิตเข้าสักวันหนึ่งนะพออันนี้คือการกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยอย่าให้เกินกายออกไปนะนี่ก็เป็นหลักนะอย่างข้อแรกทําอะไรไม่ได้ทําความสงบไว้ก่อนนี่ก็เป็นหลักของการปฏิบัติใช่ไหมพอใจสงบเราดูนะจิตต้องอยู่ในกายนะ เราจะไม่ไม่เกินกายออกไปจะคอยรู้อยู่ในกายนี่แหละวันหนึ่งต้องเจอจิตนี่ก็หลักของการปฏิบัตินะงั้นถ้าเรานั่งปฏิบัติแล้วเราก็เห็นโน้นเห็นนี่ออกไปเกินกายออกไปนะเห็นโลกเห็นสวรรค์เห็นพระนิพพนิพานอะไรฟุ้งซ่านหนักเข้าไปอีกนะนะมันก็จะเกินกายไปนะจะไม่ถูกหลักงั้นต่อไปนี้อย่าให้เกินกายนะรู้สึกอยู่ในกายไวนะ้นิดตวัวข้าก็มาหาต่อจิตอยู่ในผมหรือเปล่านีน อยู่ในกายนะหามันทีละส่วนเลยต้องเจอค่อยๆแยกกายเป็นทีละส่วนทีละส่วนต้องเจอจิตดูที่จิตอยู่ในผมไหมกำหนดจิตให้ไปดูนะผมสลายตัวไปไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาให้เห็นเลยจิตอยู่ในขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไหมไล่ไล่ไล่นะตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ลงนะจิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนของกายนะมันอยู่ในกายแต่ไม่มีที่ตั้งหรอกนะหามันไม่เจอจิตไม่ใช่ร่างกายนะ ตัดร่างกายทิ้งไปดูที่กายยังไงก็ไม่เจอจิตกนะ็มาดูใหม่หรือจิตคือความสุขความทุกข์นั่งเลยนั่งให้มันทรมานนะไม่กระดุกระดิกเลยนั่งจนปวดมากเลยแล้วนั่งดูไปในความปวดดูไปดูไปนั่งนานมันชานะหายปวดนะความปวดหายไปไม่เห็นจิตโผล่ขึ้นมาเลยนะว่าจิตกับความปวดก็ขรุขระกันนะเนี่ยค่อยๆหัดแยกแยกแยกไปนะหรือว่าจิตเป็นความสุขจิตอยู่ในความสุข นะนั่งสมาธิเลยกําหนดมีความสุขทันทนะีความสุขแล้วก็ดูไปความสุขดับไปนะไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยนะี้จิตก็ไม่ใช่ความสุขไม่ใช่ความทุกข์หรือว่าจิตเป็นความคิดนะคิดอย่างนี้นะเที่ยวหาอยู่นี่จิตเป็นความคิดเจตนาคิดนะก็ะตั้งใจคิดเลยว่าพุทธโทสุสุดโทรกรุณา m a h a r วคิดบทสวดมนต์พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันต์ก พอคิดบทสวดมนต์ปุ๊บนั่นเป็เห็นกระแสของความคิดนั้นเลื้อยขึ้นมาจากความว่างความคิดมันผุดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรถ้าผุดขึ้นมาเราก็ดับไปในความไม่มีอะไรทันทีที่เห็นว่าจิตคิดจิตรู้ก็เกิดอัตโนมัติเลยพอจิตรู้เกิดนี่มันตัวเตา่าตอนที่เรานั่งสมาธิมาตั้งแต่เด็กนะมันก็มาถือไอ้ตัวจิตรู้นี่แหละแต่ว่าตอนที่เราเห็นจิตที่ไหลไปคิดมันก็เกิดจิตรู้ก็เลยรู้นะจิตรู้นี่ทำได้2วิธี อัหนห่งทำสมาธิมาตามลาดับนะถ้าเราทําสมาธิไม่ได้ให้คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดเมื่อกี้ถึงบอกแต่แรกนะว่าถ้าจิตไหลไปคิดเรารู้ทันพุโทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันนะหรือจิตไหลไปเพ่งอะไรก็รู้ทันถ้ารู้จิตที่เคลื่อนนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมาที่ า, าพูดเนี่ยไม่ได้เอาตํารามาพูดเลยนะออกมาจากประสบการณ์เลยงั้นพวกเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดไหมพอรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจิตรู้เกิดโอ้นี่เจอจิตแล้ว หลวงปู่บอกให้ดูจิตเลยต้องเฝ้ามันไว้นะเฝ้ารักษามันไว้อย่างดีเลยรักษาอยู่อย่างเงี้ยสมเดือนรักษายจงจิตมันเด่นดวงอย่างเงี้ยสาเดือนไปส่งกันบ้านหลวงปู่หลวงปู่ครับผมเจอจิตแล้วดูจิตเป็นละจิตเป็นยังไงนะโอ้จิตมันทําอะไรได้สารพัดเลยแต่ว่าไม่ว่ามันทำอะไรนะผมรู้ทันแล้วมันกลับมาเด่นดวงเนี่ยรักษามันไว้ได้ละหลวงปู่บอกยังไม่ได้ดูจิตเลยเนี่ยแทรกแสงจิต จิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งนะเราไปแทรกแซงจนมันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งรู้ตัวเฉยอยู่กันเองนะถือว่าไม่ได้ดูจิตหรอกคําว่าดูเนี่ยจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนเราดูหนังใช่ไหมดูหนังเราไปแทรกแซงหนังได้ไหมแทรกแซงไม่ได้เราดูอย่างที่มันเป็นถึงบทรักก็รักถึงบทโกรยก็โกรธ ด, ดูจิตก็เหมือนกันนะดูอย่างที่มันเป็น อย่าไปแทรกแซงอย่าไปบังคับจิตอย่าไปรักษาจิตให้ดีนิลันดอ์นะจิตมีความสุขก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้นะจิตโลภก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตหลงก็รู้พวกเรารู้จักสุขัหมรู้จักใช่ไหมเออความสุขเกิดก็รู้ว่ามีความสุขรู้จักทุกข์ไหมเออทุกข์เกิดก็รู้ว่ามีทุกข์ขึ้นมานะโลภเป็นไหมโลภเออโกรธก็เป็นใช่ไหมฟุ้งซ่านเป็นหมโคตูอิจฉาอิจฉา เป็นหมดเลยเนาะกังวลกลัวนะเนี่ยเป็นทุกอย่างเลยเั้นจริงๆแล้วพวกเรารู้ได้อยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะรู้ลบงปู่ดูถึงสอนบอกว่าแท้จริงแล้วคนปฏิบัตินะมันไม่ยากหรอกแต่ว่ามันละเลยที่จะปฏิบัติเนั้นะต่อไปนี้ถ้าเราจะดูจิตดูใจตัวเองนะจิตของเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุข จิตมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์นะจิตเป็นกุศลนะรู้ว่าเป็นกุศลจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตฟุง้งซ่านจิตหดผูรู้อย่างที่มันเป็นรู้ไปเรื่อย ร, รู้เพื่ออะไรไม่ใช่รู้เพื่อควบคุมนะถ้ารู้เพื่อควบคุมไม่เรียกว่าดูจิตออกเป็นการแทรกแซงจิตให้รู้ว่ามันโลภ อ, อยู่แล้วเราจะเห็นว่ามันโลภชั่วคราวแล้วมันก็หายไป ให้ร er ู ment, honestly, so xic, ouais. ้ว่ามันโกรธก็จะเห็นว่ามันโกรธชั่วคราวแล้วก็หายไปนะให้รู้ว่ามันฟุ้งซ่านมันหดผูมันใจลอยนะมันอิจฉาความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้มันไปก็จะเห็นว่ามันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปมันสุขขึ้นมารู้ว่ามันสุกนะดูไปมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายมันทุกข์มันก็ทุกข์ชั่วคราวแล้วมันก็หายการที่เรามาหัดดูนะหัดดูเนี้ยไม่ได้แทรกแซงเลยมันโลภมันโกรธมันหลงมันดีมันร้ายได้ทั้งหมดเลยนะมันสุกมันทุกข์ได้ แต่ว่าพอมันเกิดอะไรขึ้นมาเราคอยรู้เอานะรู้ไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนะมันจะเห็นมันสรุปเองนะว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเพราะอะไรเพราะมันเห็นซ้าแล้วซ้าอีกความสุขเกิดความสุขก็ดับความทุกข์เกิดความทุกข์ก็ดับใช่ โลภเกิดโลภก็ดับโกรธเกิดโกรธก็ดับหลงเกิดหลงก็ดับนะอะไรๆเกิดก็ดับซ้ําแล้วซ้ําอีกนี่แหละเดวันเเดือน7ปีตรงนี้แหละที่ว่าดูไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งนีจิตมันจะเกิดปัญญาคือความเข้าใจเขาเกิดของเขาเองไม่มีใครสั่งให้เกิดมรรคผลได้นะจิตเกิดมรรคผลด้วยตัวของจิตเองเพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบบอกอย่างนี้บอกดูกราฟิกสูตรทั้งหลายนะชาวนาเนี่ยมีหน้าที่3ประการ หน้าที่3ประการของชาวนานะก็คือฝนตกก็ไปไถนานี่ที่1นึไถนาเสร็จก็ไปหวานข้าวนี่หน้าที่ที่สองหวานข้าวเสร็จแล้วก็คอยดูแลน้ํามากก็เอาออกน้ําน้อยก็เอาเข้านะดูแลต้นข้าวไปด้วยถึงวันหนึ่งข้าวจะออกรวงเองชาวนาสั่งให้ข้าวออกรวงไม่ได้ข้าวออกรวงเอง พิสูทั้งหลายเธอก็สั่งให้มรรคผลนิพพานเกิดขึ้นไม่ได้สั่งให้มรรคผลเกิดไม่ได้นะมรรคผลเกิดเองแต่เธอมีหน้าที่3อย่าง1ศีลสิกขา2จิตสิกขาสามปัญญาสิกขาศีลสิกขานะก็คือการเรียนรู้เพื่อจะรักษาศีลให้ดีจนสะอาดหมดจดนะจนเป็นศีลอัตโนมัติจิตสิกขาคือการฝึกจิตฝึกใจที่หลวงพ่อเล่านี่แหละจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้นะจนกระทั้งจิตเราตั้งมั่น เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาปัญญาศิกขาเนี่ยดูความเป็นจริงของกายของใจที่ยกตัวอย่างตะกี้เป็นเรื่องการดูจิตใจนะจิตสุขก็รู้จิตทุกก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้เนี่ยหน้าที่ของเรามีเท่านี้เองนะงั้นสรุปง่ายๆนะพวกเราอยากได้มากผลนิพพานในชีวิตนี้นะอย่าไปคิดแค่ว่าทําทานก็ได้อย่าไปคิดว่ารักษาศีลแล้วก็จะได้อย่าไปคิดว่านั่งสมาธิสงบเฉยๆแล้วได้นะ เราสํารวจตัวเองเลยถ้าศีลของเราดังพร้อยเราตั้งใจรักษานะอันนี้เป็นของดีท่านไม่ได้ปฏิเสธหรอกถ้าเราไม่มีศียจิตเราจะฟุง้งซ่านสมาธิจะไม่เกิดนะเราะฉนั้นเบื้องต้นนะรักษาศียงไว้ก่อนศียงก็พอแล้วนะไม่ต้องถึงศียงคารวาสถือศียงไม่นานก็เปื้อนเรียเปื้อนนะต้องรักษาศียงเนี่ยถ้ารักษาประจำนะคารวาสเนี่ยโลคกรพาจะกินเราเะฉะนั้นะรักษาก็เป็นคราวๆลองดูนะ ไม่ใช่เป็นนิจศีนลนะเพราะเราทำมาหากินเหนื่อยอย่างนี้นะนี่เป็นโรคเฉพาะแค่ศีล5้าก็บรรู้มรผลได้แล้ ว, แ, ลวแต่ว่าตั้งใจรักษาให้ดีนะถ้าจากรักษาศีลก็มาฝึกจิตให้ตั้งมัน่นวิธีฝึกจิตให้ตั้งมั่นก็คือทุกวันแบ่งเวลาไว้เลยนะถึงเวลาอาจจะตอนเช้าหรือตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนอะไรก็แล้วแต่สะดวกของเราแต่ไม่ใช่ไปนั่งหลับนะถึงเวลาแล้วก็นั่ง จะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมอะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตเท่าถึงจะเรียกว่าจิตศิกขาไงไม่ใช่เรื่องทําความสงบนะแต่เป็นเรื่องจิตศิกขาคือการเรียนรู้จิตนะเคยได้ยินไหมจิตสิกษาศีลสิกษาจิตสิกษาปัญญาศิกขารวมแล้วเรียกว่าไตรศิกขานะพวกเราชอบพูดศีลสมาธิปัญญาพูดง่ายเกินไปนะเพราะฉะนั้นนีจริงเรียนเรื่องศิกขานะนะงั้นเราถึงเวลาเราก็ปฏิบัตินะ พุทโธก็ได้เคยหายใจเคยดูท้องพองยุบเคยทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนเคยเดินจงกรมอะไรก็ได้ทำสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ทำเพื่อให้จิตสงบแต่ทำเพื่อจะรู้ทันจิตพุทโธพุทโธจิตเคลื่อนไปละรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันหรือเดินดะูท้องพองยบ จ, จิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งท้องรู้ทันเนะนี่ยคอยฝึอกอย่างนี้ทุกวัน ฝึกมากข้ามากเข้าเนี่ยเรียกว่าเราฝึกจิตนะได้ได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาศีลสิษยาจะทําให้เรามีศีลอัตโนมัติจิตสิษยาจะทําให้จิตเราตั้งมั่นอัตโนมัตินะพอจิตเราตั้งมั่นเป็นคนดูได้แล้วก็ดูกายดูใจก็ทํางานถนัดดูกายก็ดูกายไปเห็นกายมันทํางานใจเป็นคนดูปนะาดบ้านถูบ้านเลยทํางานไปทั้งวันเลยนะหางานทำํำนะพวกเราบางคนที่รวยๆนะเสียโอกาสทํากรรมฐานไปหลายตัว อย่างคนโบราณซักผ้าด้วยมือใครเคยซักผ้าด้วยมือไหมก็คนมีบุญนะซักผ้าหน้าหนาวกลัวไหมบางทีเห็นน้ําก็กลัวแล้วนะหนาวหนาต้องไปซักผ้าตั้งกระมังหนึ่งเนี้ยพอเห็นน้นะําเนี่ยใจฝ่อเลยรู้ว่าใจฝ่อเนี่ยให้เคยกวาดบ้านกวาดบ้านเดี๋ยวนี้ซักผ้าเขาใช้เครื่องซักใช่ไหมเวลาที่เหลือจากเอาผ้าใส่เครื่องแล้วเวลาที่เหลือเราก็ฟุ้งซ่านไปเรื่อย ไม่ได้ปฏิบัติถ้าอย่างนั้นเขาซักผ้าไปนะเขาเห็นกายทางานเห็นใจทํางานได้ปฏิบัติแลนะกวาดบ้านถูบ้านเนะี่ยลดต้นไม้นะอาบน้ําให้หมาหนะึงะทำงานไปนะทํางานไปแล้วเห็นร่างกายมันทํางานบ้างเห็นจิตใจมันทํางานบ้างนะอย่างป้อนข้าวลูกก็ปฏิบัติได้นะใครเคยป้อนข้าวให้ลูกมีไหมป้อนข้าววันไหนมันกินง่ายสบายใจใช่ไหมพอใจ วันไหนมันไม่ยอมกินไม่ยอมอ้าปากชักโมโหแล้วนะหรือมันเอาไปอมไม่ไม่ยอมเคี้ยวสัทีชักโมโหเราจะรีบไปทํางานอื่นนะเนี่ยจะเรียกลูกนะก็ทํากรรมฐานได้ไหมรู้ทันใจของเรานะลูกมันกินเอากินเอาเราดีใจพอใจรู้ว่าพอใจเด็กมันไม่ยอมกินนะชักโมโหมนะันแล้วรั่วโมโหเนี่ยครฝึกกรรมฐานนะขับรถก็ฝึกกรรมฐานได้ไหมรถติดดีใจไหมติดไม่ดีใจหงุดหงิดเนาะอ ขับรถไปเจอไฟแดงติดไฟแดงไม่สดชื่นเลยใช่ไหมติดไฟแดงคันไหนเจ็บช้ําที่สุดคันที่1นเจ็บช้ําที่สุดใช่ไหมถ้าติดคันที่50ยังเฉยอยู่ไฟเขียวแล้วรอดปล่าก็ไม่รู้เฉยๆนะไกลมากแต่ถ้าอาจจะรอดเนี่ยก ร, ระสับกระส่ายลนะก็รู้ทันว่าใจก ร, ระสับกระส่ายนะแค่รถติดไฟแดงก็ทํากรรมฐานได้เห็นไหมถูกปาดหน้า โกรธคนทั่วไปเวลาโกรธทำไงกดแสไปมองมันมองไอ้คนที่ทําให้โกรธเห็น ไ, ไหมไม่ได้ดูว่าใจกําลังโกรธเนี่ยกลับข้างนิดเดียวนะเพราะนั้นถ้าเราจะทํากรรมฐานนะย้อนกลับมาดูกายย้อนกลับมาดูใจของเราทุกทกอย่างที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ทำกรรมฐานได้ทั้งสิ้นเลยนะขับรถอยู่ถูกปาดหน้าโกรธเื่อรูนะ้รถติดไฟแดง นะงดหงิดก็รู้นะรู้สึกไฟแดงโยกและเกินทนะำขาญเจอไฟเหลืองทำไงลุ้นใช่หลุนเขาหลุดได้ดีใจไหมดีใจแค่นี้เองอ่นะเนะี่ยฝึกไปเรื่อยๆนะในชีวิตของเราธรรมดาเนี่ยนะสรุปก็คือถือศีลไว้ก่อนนะทุกวันทำในรูปแบบแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตจะตั้งมั่นเวลาที่เหลือนะเนี่ยเจริญสติในชีวิตประจำวัน ร่างกายเคลื่อนไหวเห็นมันทํางานไปใจเราเป็นคนดูจิตใจเราสุขทุกข์ดีชั่วเราคอยรู้เอาเห็นมันสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวเห็นทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับนี่เลยเป็นหลักสูตรกว้างๆนะที่พระพุทธเจ้าให้พวกเราไว้ชื่อว่าไตรสิกขาเนั้นะไม่ใช่เรื่องทำสมาธิอะไรสงบสงบเฉยๆไม่ใช่เรื่องนิโมงนิมิตเลยเลยนะหาสาระไม่ได้เลย นั่งเราเห็นน้อนเห็นนี่อะไรนี้หาสาระอะไรไม่ได้ไม่ได้ลดละกิเลสเลยนะกลายเป็นกูเก่งซะอีกนะนั่งแล้วเห็นน้อนเห็นนี่กูเก่งนะแทนที่จะเห็นว่าไม่มีกูนะถ้าฝึกไปได้ไม่มีกูหรอกร่างกายก็ไม่ใช่เราไรร่างกายเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถมุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกจิตใจก็ไม่ใช่เราสั่งมันไม่ได้สั่งให้สุขได้ไหมห้ามทุกได้ไหมสั่งให้ดีห้ามชั่ว ทำไม่ได้สักอย่างเลยทดสอบเอาอีกทีหนึ่งก็ได้หลวงพ่อจะหยุดพูดแล้วห้ามชิดนะชิดไหมชิดทันทีเลยห้ามไม่ได้เนี่ยของจริงนะของจริงก็คือมันสแสดงใจรักอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเห็นเราไม่รู้ว่าของสำคัญที่จะทำให้เราพ้นทุกข์อยู่ตรงนี้เองงั้นต่อไปนี้นะรักษาศีลห้าแบ่งเวลาไว้ฝึกจิตใจให้คอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปหนีไปคิดก็รู้หนีไปเพ่งก็รู้ วันหนึงสินาทีนะสัก10นาที15นาทีทุกวันทุกวันนะต่อไปมันจะเพิ่มรอบเช้ารอบกลางวันรอบกลางคืนเลยมันเพิ่มเองนะแล้วแต่ละรอบก็อาจจะเพิ่มเวลามันเพิ่มของมันเองพอเราภาวนาไปแล้วมีความสุขก็ขยันภาวนาอย่างบางคนพอเริ่มต้นก็ให้นั่งสมาธิสาชั่วโมงวันแรก3ชั่วโมงวันที่สองก็สองชั่วโมงวันที่3หนีไปแล้วเนี่ยเราเริ่มต้นเอาน้อยๆก่อนนะ ทำให้ได้นะสัก10นาที15นาทีนะเริ่มต้นไหว้พระสวดมนตนะ์แล้วทํากรรมาฐานอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้นะฝึกอย่างนี้แล้วเวลาที่เหลือเนี่ยฝึกสติในชีวิตประจำวันนะความรู้สึกอะไรเกิดคอรู้ร่างกายเคลื่อนไหวค่อยรู้รู้สบายๆไม่แทรกแซงห้ามแทรกแซงนะแทรกแส ง, นะแสแสงหยุดเครียดพอนาแเราเครียดทําผิดแน่นอนจิตที่เครียดเป็นอกุศลจิตนะ พอไหวไหมนี่วันนี้เทศแบบง่ายที่สุดแล้วนะถ้าใครเคยฟังหลวงพ่อเทศเวอร์ชั่นที่ยากเนี่ยนะโอ้ยฟังตั้งนานเลยฟังยากอันนี้เทศแบบเอาใจพวกเราหน่อยบางคนไม่เคยได้ยินพอสมวควรแก่เวลานะใครมีอะไรจะคุย อ, ะนะอืม้ม ใช่ไม่ใช่รู้ว่ากําลังจะโกรธนะมันโกรธไปแล้วค่อยรู้ใช่แล้วไม่ห้ามมันนะไม่ใช่ว่าห้ามห้ามโกรธไม่ใช่โกรธได้โกรธแล้วก็เห็นจิตมันโกรธใจเราเป็นคนดูอ่ะเชิญกรบาบนมัสการหลวงพ่อนะคะลูกศิษย์ได้ปฏิบัติธรรม าตามที่ฟังเทปของหลวงพ่อแต่ยังไม่เคยส่งกันบ้านครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็เริ่มต้นก็พยายามดูลมหายใจก่อนที่ฝึกะถูกแล้วล่ะนะสังเกตไม้มใจของเราเดี๋ยวนี้ก็แต่ก่อนไม่เหมือนกันตัวนี้ดูออกไหมดูออกค่นะใจเนี่ยมันค่อยถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้นะร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งใจก็อยู่ตาหากนะ ความสุขทุกข์ดีชั่วอะไรผ่านมาผ่านไปใจอยู่ต่างหากฝึกถูกแล้วล่ะถูกถูกแล้วนะคะแล้วสึกก็จะฝึกต่อไปใช่ตามแบบอย่างนี้นะคะใช่สังเกตไหมเดี๋ยวนี้เราเหมือนเราตื่นขึ้นมาแล้วจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาทำถูกแล้วลวพ่อมีอะไรสอนทำได้สม่ำเสมอนะไม่หวังผลเราทำเหตุไม่หวังผล ถ้าหวังผลกลายเป็นโลภยิ่งไม่ได้ผลขอบคุณค่ะของโยมใช้ได้แล้วล่ะขันมันแยกแล้วมัสกการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูฟังซีดีหลวงพ่อมาห้าปีแล้วค่ะค่ะได้ส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะจิตตื่นหรือยังตอนนี้กดไว้เบาๆค่ะเอออย่าไปกดมันนะให้รู้อย่างที่มันเป็นมันตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นใจไหลไปคิดไหม ตอนที่หลวงพ่อเทศไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกค่ะไม่ใครรู้บ่อยๆนะยกเว้นเวลาทํางาน <c oughs> เวลาทํางานที่ต้องคิดให้มันไหลไปคิดนะไปจดจ่ออยู่กับงานถ้าไหลแล้วรู้สึกไหลรู้สึกคิดงานไม่ได้ <c oughs> ใช่ใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ค่ะก็ขอเลี้ยงถามหลวงพ่อว่าปี2ปีแรกที่ที่หนูดูจิตนะคะมันมันเห็นสภาวะได้บ่อยคะ่ะแล้วก็จิตมันตื่นได้บ่อยคะ่ะ <c oughs> ทีนี้เหมือนหนูทําหนูดูกาไม่เป็นนะคะแล้วก็ เหมือนไม่มีแรงอะค่ะทำสมาธะไม่เป็นก็พอไปหาทำสมาธกลมารู้ทีหลังว่าตัวเองถลำค่ะฟังเสดีหลวงพ่อมาเรื่อยๆก็มารู้ทีหลังว่าถลัก็ก็พอดีได้ได้ดูยูท b e ของคุณแม่มารีที่สอนเดินจงกรมนะคะก็เออเริ่มจับหลักได้อะค่ะค่ะก็ขออนุญาตหลวงพ่อช่วยดูสภาวะทางกายอะค่ะว่าว่าดูยังไงอะค่ะ อยากให้หลวงพ่อช่วยดูสภาวะเวลาดูกายคะเห็นเห็นคนที่มันพยักหน้าไหมล่ะรู้สึกค่ะเนีแค่รู้สึกนะคําว่าเห็นกายก็คือรู้สึกถึงกายเห็นจิตก็คือรู้สึกถึงจิตเทั้นแค่รู้สึกไม่ได้ไปเห็นด้วยตาหรอกค่ะสังเกตดูสิใจมันไหลแวบแวบแวบใช่ไหมใช่ค่ะเนี่นะไม่ห้ามการที่จิตไหลเรารู้เราได้สมาธิไหลแล้วก็รู้ไหลเรารู้นะไม่ใช่แค่จะได้สมาธิอย่างเดียวนะ ถึงจุดหนึ่งกปัญญามันจะเกิดมันจะรู้เลยจิตมันทํางานได้เองจิตไม่ใช่เราะค่ะใช่ค่ะถ้าจิตไม่ใช่เราอย่างแท้จริงนะจะไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นเราอีกละค่ะก็เห็นเห็นเขาคิดได้เองนะค่ะแล้วก็เวลาตายเห็นเห็นอะไรอย่างเงี้ยใจมันจะไหลแวบไปก็ก็รู้สึกค่ะเวลามีคนโดนตําหนิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อเห็นใจมันโกรธแล้วก็มันจะเห็นความมีตัวเราเข้ามาเสื่อมอยู่ข้างในอ่ะใช่ได้นะไปหัดอย่างนั้นแหละเราไม่ได้ฝึกเอาดี <C> e <an> ไม่ได้ฝึกเอาสงบไม่ได้ฝึกเอาความสุข<น>แต่ฝึกให้เห็นทุกอย่างมันชั่วคราวค่ะ <C> e <an> หนูต้องดูกายช่วยเยียอีกเยอะไหมคะหลวงพอ่อ <c oughs> ดูเป็นอยู่แล้วยังคิดว่าดูไม่เป็นอีกบาง <c oughs> ครั้งมีความรู้สึกว่ามันรู้สึกไหม <c oughs> มันยิ้ม <c oughs> <c oughs> หนึ่ะมันยิ้มรู้สึกว่ามันยิ้มมัน <c oughs> พยักหน้ารู้สึกว่ามันพยักหน้าะแค่รู้สึกหลวงพ่อจะให้การบ้านหนูเพิ่มไหมคะรู้สึกกายไปค่ะ จะได้พ่อค่ะคือจิตเนี่ยเป็นของละเอียดนะถ้าสมาธิเราไม่พอนะเราดูจิตมากๆบางทีว่างไปเลยไม่มีอะไรให้ดูดูไม่ออกเลยเออถ้ามันว่างไปเลยนะมาดูกายไว้อย่าไปติดว่างขอบพระคุณค่ะกับนมัสการหลวงพ่อเนาะค่ะขอโอกาสคนที่ส่งเงินมานหลายที่นี่จําได้ก็หนูไม่ได้ส่งมาระยะดืนแล้วเจ้าค่ะก็ ยังทํารูปแบบสม่ำเสมออยู่เจ้าค่ะก็กั้งเช้าก่อนนอนก็คืออยากวางใจไว้ว่าปฏิบัติดูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็พระธรรมแล้วก็พ่อแม่ครูอาจารย์ลมทังหลวงพอ่อทุกครั้งนะเจ้าค่ะขอถวายเป็นพุทธบูชาธรร <สา S 1> ทุกนะชอบอย่างนี้ชอบอไม่มีโอกาสได้หายแบบนี้ใครรู้ทันถ้าจิตฟุ้งซ่านก็รู้ทันนะ จิตสงบเพราะรู you know, ้ทันจิตด right ีจิตร้ายรู้อย่างที่เขาเป็นดูจนเห็นว่าเขาก็ไม่ใช่เราหรอกเขาทำงานเองบางทีมันมาหนูก็ทําอย่างนี้ยนะคะแล้วก็มันบางครั้งเดินย่ไปท้อใจนะตอนนี้เริ่มรู้สึกอย่างเงี้ยแลค่ะเวลาท้อเนี่ยท้อก็ได้เราห้ามไม่ได้ว่าใจจะท้อแต่ท้อแล้วเราก็ไม่เลิกเราก็เห็นว่าจิตมันท้อดูมไปครับอดทนทําอยู่เจ้าค่ะต้องทนนะข้ามทุกข์ได้ก็ต้องทนเอามากๆเลยค่ะ มันเดินไปก็เห็นโลกมันลาบหายไปหมดเนาะค่ะแต่ก็มันเห็นแวบเดียวแต่ตัวมันแต่ว่ามันยังไม่เป็นกลางเจ้าขาตรงมันจะมีโทสะแทรกนี่ให้รู้ทันว่าโทสะมันแทรกบางครั้งก็รู้บางครั้งก็ไม่รู้ไปรู้ก็ตอนมันมันแทรกขึ้นมาแล้วเ้าะค่ะต้องถูกต้องแล้วให้แทรกแล้วก็ค่อยรู้อย่าไปจ้องไว้ก่อนดูจิตเนี่ยห้ามจ้องไว้ก่อนนะถ้าจ้องไว้ก่อนจะว่างจะไม่มีอะไรให้ดู เริ่มรู้สึกว่าปีนี้ช่วงช่วงตั้งแต่หลังจากหนูอยู่ที่ไปอยู่วัดมานั่นคะก็มันมันเริ่มมีอาการแบบท้อๆบ้างแต่มันไม่ค่อยมีแรงแต่หนูก็ทําประจําทุกวันนี่นะคะเออท้อก็ไม่เป็นไรท้อแล้วก็ดูต่อ <c oughs> คืออย่าให้ความรู้สึกครอบงําจิต <c oughs> นะความรู้สึกทอ้อเกิดขึ้นแล้วก็รู้ไปมัน <c oughs> จะออกไปจากจิตนะอย่าให้มันครอบแล้วค่ะแต่แต่มันก็ยังเดินอยู่ในทางถูกใช่ไหมคะใช่ยังไงเกาพุทธโทรไว้ก็แล้วกัน คิดถึงพระเจ้าไปเรื่อยหนูเลยไม่แน่ใจว่าบางทีหนูไปทําอะไรผิดตรงไหนหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งหนูก็เห็นอยู่ว่ามันแยกออกจากโลกระยะหนึ่งแล้วมันก็บางทีมันก็ยังพอเราทํางานที่ต้องใช้ความคิดเยอะๆเท่าคํามันก็ไรลไปเรื่อยเป็นฆราวาสได้ขนาด น, นี้ก็เก่งแล้วล่วมนะนะมันต้องอยู่กับโลก จะอดทนมาวนาปฏิบัติวิชาต่ตอไปใช่หคือถึงไงก็ต้องทน <laughs> เพราะว่าอะไรโลกนี้มันทุกข์อย่างนี้แหล<จ>ะแต่เดิ ม, มเราอยู่กับโลกโลกเป็นทุกข์เราไม่เคยเห็นเราก็ยังสนุกอยู่กับโลกนะตอนนี้สติปัญญาเราแก่กลา้าขึ้นเราเห็นว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์ไม่เห็นมีสาระเลเ แ, ตแต่ว่าใจเนี้ยยังไม่เป็นกลาง<ะ>ไปดูตรงที่ไม่เป็นกลางไว้โทสะแทรกตรงนี้ ไปรู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางนะรู้ทันจิตที่ท้อแท้ตัวนี้เป็นตระกูลโทสะทั้งหมดเลยเบื่อท้อใจนะอะไรเนี้ยโทสะทั้งนั้นมันมันดูแบบนี้มารยาหนึ่งมันก็ไม่หายหนูก็ไปท้อมันลยไม่ได้ดูเพื่อให้หายแต่ให้ดูให้เห็นว่าเราบังคับไม่ได้ค่ะบังคับได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้แต่อยากบังคับอยากบังคับเออนั่นแหละปัญหาอยู่ ความอยากเกิดเมื่อไหรความทุกข์ก็เกิดนั้นนัเลยแล้วเห็นมันก็ทุกข์ดิ้นขุกคักเนี่ยแน่นอนเลยเพราะว่ามีความอยากตอนยิ่งช่วงเดือนมาเนี่ยหนูจะเห็นความที่อยากคือตอนนั้นวางใจไปได้ว่าปฏิบัติบูชาไม่ไม่นึกอยากพ้นทุกข์ละพอช่วงหลังๆนี่มาเริ่มแบบมันมันทุกข์เหลือเกินรู้สึกว่าข้างนอกมันไม่น่ามันไม่สนุกเลยมันก็อยากอีกหลวงพ่อมันก็ดิ้นเห็นอยู่ตรงนั้นนะคะมันอยากมันเห็นโลกเป็นทุกข์นะมันก็อยากพ้นไป พ้นไปแล้วก็ดิ้นสุดลิ์สุดเดชนะแล้วก็พบว่าพ้นไม่ได้ดเป็นอย่างนี้แหละพ้นไม่ได้ในสุ่สุดก็ต้องอยู่กับมันด้วยความเป็นกลางนอยู่กับมันด้วยความเป็นกลางนี่้จะเห็นความจริงของมันนะใจจะปล่อยอันนี้มันจะพ้นน ะ, ะตัวเราก็ยังอยู่ที่เดิมนี่แหละแต่ใจมันพ้นออกไปเจค่ะขอบพระคุณมากเจ้าค่ะนรมาสการค่ะหนูเคยส่งการบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วอะค่ะ หลวงพ่อบอกว่าถูงเป็นคนรักสวยรักงามให้ถูกราวนาะดีขึ้นแล้วล่ะนะให้ได้ค่ะเมื่อคืนนี้ก็พยายามเร่งการบ้านโดยการพอสวดมนต์แล้วก็เห็นความขี้เกียจ น, นะคะเห็นแล้วมันดับไปเลยเออดีใจมากเลยแต่ว่ามองอมไม่ทันความดีใจไม่เป็นไรน ะ, ะทำเท่าที่ทำได้ แล้วเวลาที่หนูรู้สึกว่าหนูรู้สึกไกลได้ชัดเนี่ยจะเป็นหลับตาแล้วเดินแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันคือเพ่งหรือเปล่าค่ะลองมาทำให้ดูได้ไหมไดนะ้ทำไมต้องหลับตาแล้วเดินอ่ะมันมันเสี่ยงนะ <c oughs> <c oughs> อะ๋อย่างนี้มันเพ่งไว้ละนะเนะื้อใจมันอัพขึ้นมานิดนึง ลอยขึ้นมา <Yeah. S 1> กลับมารู้สึกตัวให้ดีรู้สึกตัวธรรมดาสังเกตไหมว่าใจมันเบลอไปนิดหนึ่งตัวนี้เราไปทําใจเบลอๆลอยๆนะอย่างนี้นานไปจะเต้นโมเดิร์นดานเลย mm hmm. รู้สึกรู้สึกอย่างนี้แล้วรู้สึกอย่างนี้ใจะีิตตอนที่หัวร้อนตะเกียใจเป็นธรรมดาเดินกลับไปอย่างตอนเนี้เราระวังอยู่นิดหนึ่งเห็น mm hmm. ไหม เนี่ยแค่เดินเรารู้สึกเดินแล้วรู้สึกนะอย่าไปเดินแล้วน้อมใจขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปไอ้นี่เป็นการทําสมาธิแล้วนะแล้วบางทีเสมอว่านั่งฟังพระอาจารย์เทศอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นบ่อยๆที่พอเรานั่งนิ่งๆเฉยๆแล้วมันจะรู้สึกยุบยิบยุบยิบไปทั้งกายโดยที่เราไม่ได้คิดว่าเราทําสมาธิหรืออะไรมันเราค่อยดูไปนะกายก็ส่วนหนึ่งยุบยิบก็ส่วนหนึ่งนะใจอยู่ส่วนนึง อะไรเกิดขึ้นก็แยกธาตุแยกขันไปเรค่อแต่ว่าดีขึ้นนะดีขึ้นนมัสการหลวงพ่อค่ะ อ, อ, อ่านและฟังออที่ท่านเทศมานานน ะ, ะแต่ไม่เคยส่งกันบ้านปกติปฏิบัติแบบปฏิบัติในชีวิตประจำวันค่ะ ไม่ไม่แน่ใจว่า ต, ตัวเองม่ถูกไหมสังเกตความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้บ้างไหมมันเหมือนน้ําที่ค่อยๆไหลเอื่ยอยๆอย่างเคยทําผิดศีลก็ทําไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นะนะนี่ยมันเปลี่ยนศีลน่ารักษาง่ายขึ้นไหมอัตโนมัติเพราะมันมีหิริโัตปะเกิดละอายใจนะที่จะทําผิดอะไรเงี้ยนี่ยศีลที่ไม่เคยมีก็มีขึ้นมาก็ถือว่าเราพัฒนาขึ้นมาค่ะ เราเห็นกายเห็นใจมันเคลื่อนไหวเห็นกายเห็นใจมันทำงานไปเรื่อยๆดูออกไหมมันทํางานมันเปลี่ยนแปลงของมันทั้งวันเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนั่นแหละเราจเจริญปัญญาอยู่แล้วไม่แน่ใจว่าปกติที่ ท, ที่ที่ทำอยู่เนี่ยค่ะเป็นคิดเอาเองหรือหรือเข้ า, าใจ เ, าเข้าใจิตเข้าใจหรือสมองเข้าใจจิตเข้าใจ จิตพอจะเข้าใจใช่ไหมคะจิตพอจะเข้าใจแล้วถ้าสมองเข้าใจแล้วเครียดนะแล้วจิตเข้าใจแลใจมันรู้ตื่นเบิกบานมีความสุขอ๋อถ้าถ้าสมองนี่จะเครียดนะคะถ้าคิดเอาก็เครียดเครียดนะแต่ถ้าจิตเข้าใจจะสบายใจใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีอย่างนี้นะบางคนมีคิดคิดไปแล้วก็สบายใจเขาเยอะนะ ตัวนี้ไม่แน่ใจตรวเนี้ยค่ะว่าตัวเองเป็นตัวเองคินเองหรือตอนเนี้ยเห็นเห็นจิตที่ไหลไปคิดไหค่ะอย่างเมื่อกี้เนี้ยจิตนี้ไปคิดแต่แต่ไม่ทันฮะเพื่อเห็นนะะเอไม่เป็นไรเห็นทีหลังนะถูกแล้วค่ะะเห็นร่างกายพยักหน้าไหมถ้าถ้าทําก็เห็นค่ะเนี้ยโยมตัวกายไปนะแต่อย่าเพ่งร่างกายเคลื่อนไหวแค่รู้สึกแค่รู้สึกอย่าจ้องแล้วเพ่งอย่างนี้ใจทื่อแล้วเพ่งอย่างนี้ไม่ได้ พอจะเดินถูกทางบ้างใช่ไนะคะคนที่เดินถูกทางนะเคยไม่เคยทําทานก็ทําได้ไม่เคยมีศีลก็มีศีลง่ายจิตใจไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวอะไรก็จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยขึ้นมีสมาธิดีขึ้นะเริ่มเห็นไตรลักษณ์เห็นสิ่งน้นมาสิ่งนี้ไปนั่นแหละเจริญแล้ ว, แ ล, วแล้วการอยู่กับตัวจนลืมลืมทางนอกเกือบหมดนี่โอ้ไม่ดีไม่ดีเหรอค ะ, อะ เราไม่หนีโลกกันนะอยู่กับโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเราก็ค่อยรู้เอาขอเรียนถามท่านนิดหนึ่งนะขอรบกวนนิดหนึ่งคือได้ฟังซี ด, ดีของท่านเมื่อที่ท่าบ้านจิตสบายเมื่อเดือนพฤษภาท่านท่านได้พูดว่าถ้าแผ่เมตตาเฉพาะคนเนี่ยค่ะถ้าทำเฉพาะมากๆไม่ค่อย จำไม่ได้ว่าท่านพูดคําว่าอะไรนะแต่แต่คล้ายๆกับว่ามันไม่ดีเพอนในชั้นเคยทําแล้วรู้สึกพอเมื่อก่อนทําแล้วรู้สึกมันได้ผลนะคะทําแบบขออโหสิกรรมพูดที่เรากําลังเหมือนกับว่าเรามีกรรมต่อกันแล้วทําให้เราทุกข์ขออุทิศบุญและขออโหสิกรรมมันคล้ายๆได้ผลอ่ะก็ดีนี่อย่างนั้นก็ได้นี้ไม่ไม่แน่ใจว่าที่ท่านพูดกับที่ที่ั้นทำมันคนละอันกันคนละอันกันอันนั้นหมายถึงว่าอย่างเราแผ่เมตตาเนี่ยเราต้องระวังอย่างหนึ่ง พอเมตตามากๆนะมันจะกลายเป็นรา ค, าค ะ, ะคนไหนที่เราเมตตามากนะเราจะไปรักใครผูกพันง่ายคนไหนที่เราการุณานะเห็นเขาลํำบากเราอยากช่วยเหลืออะไรเถอะอยากแนะนําอะไรเนี้ยแป๊บเดียวจะกลายเป็นกโรนกรธก้องกรุณาจะพลิกไปเป็นโทสะนะง่ายมุ้ิตาเห็นใครก็ดีก็ดีด้วยแต่เขาดีมากไปชักอิจฉาเนะาะจะพลิกไปอย่างนั้ น, นแต่ที่ทําแล้วรู้สึกรู้สึก ไม่ไม่ไม่ค่อยทำบ่อยนะฮะแต่ท so ําเมื่อจวนตัวคือจะจะขออโหสิกรรมแล้วขอคล้ายๆแลกด้วยบุญนะได้ที่บุญให้ไม่ไม่เป็นไรครับทางอย่างน้อยก็สบายใจจะได้สมาธิไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นบาปหรือไม่เป็นผิดอย่างที่ท่านเคยคนลประเด็นนะคะคนละประเด็นค่ะสรุปแล้วทั้นพอจะเดินถูกทางใช่ไหมใช่แต่คอยรู้สึก่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกนะค่ะขอบพระคุณทนมากนะคะ กราบนมัส ก, การค่ะพอดออีน้องข้างหน้าส่งกันบ้านคล้ายของตัวเองมาก<笑><笑>ก็เลยคิดว่าตรงนั้นก็จะผ่านไปนะคะแต่ว่ามีอันหนึ่งที่อยากจะกราบเรียนของพ่อคือช่วงนี้เนี่ยอากุศลมันเกิดขึ้นบ่อยมากมิซะาคือให้รู้ไปใช่ไหมคะพยายามคิดถึงพุทธเจ้าไปอะไรไปนะ คือยุคนี้พลังชั่วร้ายเนี่ยมันเยอะพลังของมารของคนชั่วร้ายในบ้านเมืองก็คนผู้ร้ายเยอะใช่ไหมกระแสที่ไม่ดีเนี่ยมันเยอะมัน ย, นยั่วกิเลสเราบ้างนะงั้นเวลาเราจะภาวนาอะไรเงี้ยบางทีเราทําพราเราดีๆกิเลสแรงขึ้นมาไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยนะถ้ามันผิดปกติมากนะฝากชีวิตไว้กับพระพุทธเจ้าเลยนะพุโทโธพุโทโธไปจิตจะเป็นยังไงช่างมันเลย คิดถึงพระพุทธเจ้าไว้ให้แน่วแน่มันเพิ่มสมาธิขึ้นหลวงพ่อคะเป็นคนที่เวลาบริกรรมหรืออะไรเนี่ยรู้สึกเป็นภาระแต่จะรู้สึกว่ามันจะรู้รู้ถึงอะไรที่เกิดขึ้นในใจอยู่เนื่งเนืองเดี๋ยวมันไม่ได้พักนะถ้าจะต้องการพักก็ต้องหาที่พักให้จิตพักบ้างถ้าไม่ชอบบริกรรมก็อาจจะรู้ลมหายใจรู้อะไร หาอารมณ์มันเดียวให้จิตมาอยู่ถ้าไปดูตัวนี้มันเดินปัญญารวดไปเลยใจจะแห้งแรงมันเดินปัญญาเลยแล้วจิตไม่ได้พักมันใจแงแหง้งแรงไป ม, มันรู้สึกไม่มีแรงด้วยจิตจะไม่มีแรง <c oughs> นะหรือแผ่เมตตาก็ได้นะ <c oughs> จิตที่เป็นอกุศลบ่อยๆผิดปกติขึ้นมาน ะ, ะเราเจริญเมตตาไปเรื่อยนะได้สมาธิขึ้นมามันก็แก้ได้เหมือนกันก็อดทนทําไปเรื่อยทำให้ถูกสินะ อย่าพูดโถไม่ชอบก็เจ ร, ริญเมตตาเจริญอะไรเงี้ย <Okay. S 1> ให้จิตมันได้สมาธิเพิ่มขึ้นสมาธิไม่พอกับขอบพระคุณค่ะนวันสการค่ะหลวงพอ่อท้อใจหมท้อใจไห ม, จ, ไหมจะส่งกันบ้านตื่นเต้นนะค ะ, ะว่า ม, มาจะรบกวนขอคำแนะนำจากหลวงพอ่อค่ะก็ฝึกอย่างที่ฝึกนี่แหละนะ ไปรู้สึกตัวไปเรื่อยดูกายดูใจทํางานต้องดูกายด้วยนะเราเป็น ค, คนรักสวยรักงามอะไรอางนี้ค่ะ ร, รู้สึกกายรู้สึกไปนะเนี่ยใจไหลไปคิดแวบบแล้วก็รู้ทันนะเนี่ยดูกายดูใจทํางานไปเรื่ค่ะแล้วคือมันบางทีก็เพ่งอะคะ่ะหลวงพ่อและย้อนกลับมาดูตัวอย่างไม่เห็นนะคะเพ่งแลมันอื่นๆดไหมบางทีก็อึดอัดค่ะ อึดอัดค่ะอ๋ออึดัดนี่แหลแล้วก็เลิกไปก่อนอ๋อนะแต่ถ้าข่าวไหนไม่อึดอัดก็ให้มาดูเราก็รู้เราก็รู้ว่าไปเพ่งอยู่งั้นจะค่อยๆ ค, ค, คลายพอดีออกมาธรรมดานะการปฏิบัติเนี่ยเบื้องต้นนะจะตึงเกินไปทุกคนแหละมันต้องตึงไว้ก่อนแล้วเอาพอดีพอดีนะมันจะหย่อนไปค่ะนี้ถ้าตึงเกินไปก็จะเครียดงั้นก็ไม่ดีก็ค่อยๆ ค, คลายออก คะ่ะใหแก้ไม่ได้ก็เลิกมันไปก่อนมาค่อยรู้สึกอาไหมแล้วหลวงพ่อมีอะไรให้เพิ่มเติมกว่าหลวงพ่อเยอะไปถามก็มไม่ได้อย่างที่ใจอยากถามฟังคําตอบก็จําไม่ค่อยได้นะคะก็ตอนนี้คือที่ดูบางทีก็เห็นไหลไปคิดเงนี้ยคะ่ะหลวงพ่อแล้วก็ เหมือนมันเห็นแบบสังเกตไม่ว่าขนาดนี้กะตะกี้จิตไม่เหมือนกันแล่ะจิตต้องเป็นอย่างนี้แหละเห็นไหมมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้แล้วอย่างนี้ใช้ได้ละอนานาเป็นนั่นแหละก็คือให้ดูดูที่มันบางทีบางทีก็คือดูที่ไหลอ่ะค่ะหลวงพ่อแต่บางทีบางทีจับจุดไม่ถูกว่าจะมาดูว่าให้วิหารธรรมใช้วิหารธรรมเป็นหายใจเข้าหายใจออกค่ะหลวงพ่อแล้วบางทีก็เห็นว่า มันหายใจอยู่อีกฝังหนึ่งแต่ว่าจิตมันไหลไปคิดก็เลยดูว่ามันไหลไปอีกอย่างนี้นะคะใช่ถูกแล้วอย่างนั้นนทำถูกแล้วะทำได้ดีด้วยใช่ไหมขนาดนี้ขันมันแยกแล้วถูกเป๊ะเลยนะขันแยกได้แล้วก็มีโอกาสแล้วล่ะนับถอยหลังเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนั้นเอาแต่เพ่งนะเจ็ดชาติก็ไม่ได้หลวงพ่อค่ะจะขอเข้ามาหลวงพ่อขอเข้ามาอืม พระพูดพระธรรมพระสอเ อ, อนะได้นะนำมัสการค่ะหลวงพ่ อ, อ, อหนูเองเป็นคนรักษาศีลอยู่ประจำแต่บางครั้งก็มีการหลงเลอมนะคะแล้วก็พรโยมเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเราก็ไม่เหมือนกันนะเห็นคะ่ะดีเนเป็นคนที่เวลานั่งแล้วก็ชอบเพลงคือเมื่อกี้ได้ฟังคำจากอาจารย์นะคะหลวงพ่อก็มีความรู้สึกได้สติว่าเราเนี่ย เพลงไม่ได้พระสุนทรจะชอบเพ่งอ่ะค่ะเพลงแล้วทําให้บางทีแม้กระทั่งสวดมนต์ก็ต้องหลับตาแล้วก็ต้องเพลงแล้วบางทีมันมีความรู้สึกว่าเราเหมือนกับจิตมันเครียดหรือไงก็ไม่ค่ะอันนี้เราจะแก้ยังไงคะหลวงพ่อไม่ไม่ต้องทําอะไรมากนะเรารู้ทันแล้วไม่ค่อยเป็นอะไรนะจิตของโยมมันดีขึ้นดีขึ้นนะะสังเกตไหมล่ะมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วค่ะดีค่ะดีทั้งสองคนเลยที่นั่งอยู่ด้วยกันนะ หนูที่ใส่แว่นตาพอนานดีขึ้นเยอะเลยนมันสการค่ะหนูหนูทาอย่างนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมเ้ามค่ะอดทนไปทำไปเรื่อยอย่าหวังผลค่ะนา<ะ>มัสการขอบพระคุณค่ะคนสุดท้ายนามัสการนะคะว่าหนูขออนุญาตนะคะคือตัวหนูเองเนี่ยเหมือนยังยังไม่รู้ว่าจะ ปฏิบัติยังไงคือเพิฟังหลวงพ่อให้ดู ด, ดูที่ใจเลยอย่าง ใ, ใจมันหงุดหงิดอะไม่รู้จะทํายังไงมันหงุดหงิดนะรู้ว่ากําลังหงุดหงิดการที่เรารู้ความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นสดๆ ร, ร้อนๆเนี่แหละปฏิบัติแล้วก็เพิ่งฟังหลวงพ่อได้ไม่นานพอดีพระอาชิวัตบอกฟังใชฟังแล้วก็เรามาฟังก็พยายามแต่ก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่ฟังหลวงพ่อไปเรารู้สึกดีขึ้นหรือเปล่าดีสิดี่ึ ไม่รู้ตัวเลยแล้วอย่างไงหนูต้องทำอย่างไงต่อเจ้าคะคอยรู้ทันความรู้สึกไปความรู้สึกเจะเปลี่ยนทั้งวันอะคเราจะนิ่งขึ้นไหมเจ้าคะจะนิ่งขึ้นไหมเจ้าคะนิ่งเรื่องเล็กเรื่องเด็กน้อยแต่การที่เห็นสภาวะทั้งหลายตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเรื่องสําคัญเรื่องนิ่งเรื่องง่ายง่าย แต่เวลาเข้าสมาธิรู้สึกว่นมันมาส่งออกไปข้างนอกไม่ไม่ค่อยเป็นสมาธิหรอกใจมันฟุ้งเก่งมันฟุ้งเออนะมันวิ่งออกข้างนอกไม่ไม่ไม่เป็นสมาธิหรอกเพราะฉะั้นดูจิตไปเลยนะถ้าเราทําสมาธิไม่ได้เลยนะไปดูกายเนี่ยดูไม่ออกมันจะแยกกายกับจิตไม่ออกนะเพราะฉะนั้นถ้าใจเป็นคนช่างคิดอย่างนี้นะให้ดูความรู้สึกอ๋อค่ะเพราะเรารู้สึกแล้วก็ ไม่ทําอะไรก็เห็นอะลบขึ้นมาก็รู้ก็จะเห็นมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ไปเองอเราจะให้เห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปค่ะไม่ใช่เพื่อไปไล่มันนะขอบคุณค่ะน้ำมันสกัดหลงพ่อเตียวค่ะมีปัญหาอยู่นิดนึงจะถามเรื่องจิตแล้วก็ใจแล้วก็วิญญาณนี่คือตัวเดียวกันหรือเปล่าตัวเดียวกันเลยจิตมโนวิญญาณอันเดียวกันอันเดียวกันใช่ไหมคะ บางทีเราดูคิตวิญญาณนี่มันจะแวบๆมันวิญญาณไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือสลัสนตะใช่ไหมคะคือสลัสนตะใช่ไหมคะคืออะไรนะสลยนตะอาญาตนะสลยตนะใช่กาบมรดการค่ะได้ยินอะไรสลตะสลตะมรดการอาจรนะคะขอแถมคนหนึ่งน่าหมดย อาจารย์ข้คือการ น, นั่งสมาธิเนี่ยคือก็ปฏิบัติมานานแล้วนะคะแต่ก่อนก็พยายามเพ่งเพ่งพรที่เพ่งก็เข้าใจว่า<อ>เห็นคนหลวงพ่อบอกเห็นแล้ว น, นั่งโน่นเห็นแล้ว น, นั่งนี่แล้วทำไมเราไม่เห็นเมื่อเราเขามานั่งคิดมาเปลี่ยนใหม่สาทุเราก็มานั่งเปลี่ยนหลวงพอ า, า, านั่งแล้ว เ, เห็นมาตั้งแต่เจ็ดขวบไม่เห็นจะได้เรื่องเลย เห็นอะไรก็สู้เห็นกิเลสไม่ได้อืมคือคือเราจะไม่เห็นนะคะก็อยากจะเห็นเหมือนคนอื่นไ <laughs> งฮะทีนี้คือวานั่งคิดหม่ว่าไม่เอาแล้วแบบนี้ไม่เอาทีนี้ก็นั่งนั่งมันนั่งนั้นว่ามันมันความรู้สึกสบายอื <c oughs> เบาเออแบบนี้มันดีกว่าพอเบาได้สักพักหนึ่งทีนี้ก็ฟะะุ <c oughs> ้งแล้วค่ะการที่ฟุ้งนี่ก็หมายความว่า จิตมันไปแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ก็คือการฝึกว่าต้องพยายามรู้ว่าจิตเอาจิตให้อยู่ใช่ไหมคะให้รู้ว่าเขาไปอย่าบังคับให้เขาอยู่นั่นแหละสิคะไม่บังคับให้อยู่นะให้แค่รู้แล้วกันารที่เราพูดคําว่าคิดหนอหรือว่าเห็นหนอคือคือการถูกต้องใช่ไหมคะไม่ถูกหรอกตกจากวิปัสสนาทันทีเลยอือ วิปัสน า, าคือการเห็นอย่างที่กาลังเป็นเห็นอะไรเห็นรูปเห็นนามเห็นสภาวะธรรมอย่างโกรธขึ้นมาขณะที่รู้ว่าโกรธทีแรกความโกรธเกิดจิตเป็นอกุศลขณะถัดมารู้ว่าโกรธจิตเป็นกุศลเรียบร้อยแนละ้วขณะถัดมานะโกรธหนอนี่คิดเอาแล้วในขณะที่คิดเนี่ยตกอย่างวิปัสน า, าแล้ววิปัสนาว่าเห็นเอาไม่ใช่คิดเอาคิดเอาคือวิตก เราต้องทำยังไงคะทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้นั่งไปเรื่อยๆคะไม่ใช่นั่งไปเรื่อยๆเย <laughs> <laughs> ของโยมนะปัญหาใหญ่ก็คือใจมันช่างคิดมากนะมันจะคิดอุตรุดเลยแล้วมันจะมีความสงสัยเกิดขึ้นทุกเรื่องเพราะงั้นวิธีปฏิบัติเนี่ยโยมคอยรู้ทันความรู้สึกนะ uh huh. รู้ทันความรู้สึกของตัวเอง นะรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกดีรู้สึกร้ายอะไรเนี่ยคอยรู้ทันรอออบขึ้นามาก็เห็นความรอบมันเกิดแล้วก็ดับไปไม่ต้องรอบหนอ่อลบหนอ่นะอลอตรงที่รอบหนอมันกลายเป็นสมถะทันทีเลยออืมีการบริกรรมแต่บางคนนะบางที่เบื้องต้นเนะ่ะเขาก็าสอนให้กําหนดลงไปก่อน เป็นการเตือนตัวเองให้รู้ว่าสภาวะอันนั้นกำลังเกิดเช่นโกรธนอโกรธน้อเป็นการเตือน น, นี่อ้าอย่างนี้แหละเรียกว่าโกรธให้หัดดูสภาวะนะขณะนั้นยังไม่ขึ้นมิปัสนานะนะดูสภาวะแล้วต่อไปความโกรธเกิดขึ้นเห็นความโกรธเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วดับไปนี่เป็นมิปัสนาแนละถ้าความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็โกรธนอโกรธนอเพื่อจะให้ดับเนี่ยนี่สมถะแล้วเพ่งแล้วให้ให้มีความรู้สึกว่าเกิดแล้วดูความเกิดดับอย่าไเพ่งเอา ขอบพระคุณค่ะเมื่อก่อนจะเทศเรื่องนี้นะคิดหนักเลยเราะพวกเข้าภาวนากันแบบนี้ทั้งบื้องทั้งเมืองนะยิ่งแยกรูปแยกนาอะไรนํารูปริเฉทะยานนะหรือมัรคยานผลยานจิตดับนะคิดว่ามัรคยานจิตดับผลยานจิตดับแล้วยานจะไปตั้งอยู่ที่ไหนยานต้องตั้งอยู่ที่จิตเวลาที่เกิดอริยมรรคนะมีจิตทั้ง20ชนิดนะเวลาเกิดอริยผลมีจิตอีก20่สิบชนิด ไม่ใช่จิต ด, ดับแนละ้วบอกว่าบรรลุมรรคผลนะมันเพี้ยนกันไปหมดเลยตอนนั้นพูดเราก็ตัวเล็กตัวน้อยนะพูดเสียงหรือเกินในการพูดเรื่องพวกนี้แต่สุดท้ายก็เสียงเ็าเสียงมาถวายพระพุทธเจ้าคือจิตตื่นขึ้นครับหลังจากฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็อย่างสมมุติว่าเลอย่างยอย่าง ผมเจอเจองูก็ได้ครับเจองูอืเจองูแล้วครนี้จิตตามันเห็นตามันเห็นแล้วครนี้ไปรู้ที่ใจออืวิจัยใจใ จ, ใจรู้ใจสั่งให้กลัวอืสติรลึกขึ้นได้ออืตัดครับอืือออย่างนี้มันอันนั้นการการเห็นวิถีจิตนะเห็นถูกแล้วล่ะในขณะที่ตาเห็นเนี่ยยังไม่รู้ว่างูด้วยซ้ำไปแล้วตามันเห็นรูปเสร็จแล้วมันส่งสรรัญญาณเข้ามาที่จิต นะสัญญาเนีเข้าไปแปลว่าเนี่ยคืองนะูแล้วใจมันก็เลยตกลงใจว่าต้องกลัวมันก็เกิดความกลัวขึ้นนะพอเกิดความกลัวขึ้นเนี่ยมันขึ้นวิธีการหนึ่งแล้วจิตเป็นอกุศลสติมาราลึกรู้ว่ากลัวนะนี่ขึ้นอีกวิธีหนึ่งล้เป็นวิธีที่เป็นกุศลแล้วอันแรกเป็นวิธีที่เป็นอกุศลนะภาวนาอย่างนั้นแหละถูกแล้วท่านจะเห็นไหมว่าจิตมันทํางานได้เอง ตามองเห็นไม่ได้เจตนาจะเห็นใช่ไหมเห็นแล้วมันจะกลัวไม่ได้เจตนาจะกลัวเนะีย่ยดูอย่างนี้เราก็จะเห็นความจริงได้ว่าจิตนั้นมันทำงานสืบเนื่องกันเป็นลูกโซ่เลยเป็นทอดทอดทอ ด, ทอดนะมันกลัวพอกลัวแล้วเกิดสติขึ้นมาความกลัวก็ขาดนะพอความกลัวขาดนีจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาก็ถนะูกแล้วถูกนะครับสติก็ไม่ได้สั่งให้เกิดกเกิดได้เอง ครับผมเนี่ยดูไปเรื่อยเราจะเห็นอนาัตตานะมันเป็นเองอย่างนั้นถูกนะของท่านฝากไว้นิดหนึ่งครับของท่านของเดิมที่ฝึกเนี่ยหมือนเพ่งนะตอนนี้ตามลมตามดูลมหายใจดูลมเนี่ยดูสบายๆอย่าให้ไปเพ่งลมนะการดูลมหายใจทำได้หลายแบบอันะนึงจิตไปจดจ่ออยู่ที่ลม ถ้าจิตไปจอ่อเข้าไปกับลมนะเป็นสมถะเฉยๆลองดูลมสิครับบางครั้งมันก็เหมือนจะอึดหลักนะแต่แต่ดีกว่าไม่ทำครับไม่ต้องทําไปก่อนแต่ว่ารู้นะรู้ดีกว่าฟุง้งครับดีกว่าฟุง้งไม่งั้นจะฟุ้งเลยนะถ้ารู้ลมไปก่อนดีกว่าปลอดภัยกว่า ป้าจย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเวลารู้ลมนะครั บ, รบทําได้หลายอย่างนะอานาปนาสติเนี่ยเป็นสุดยอดของกรรมฐานเลยนะอานาปนาสติเนี่ยทำให้เป็นสมถะก็ได้นะขึ้นวิปัสสนาก็ได้นะจะทําสมถะเนี่ยได้ตั้งแต่คณิกะสมาธิอุจจารสมาธิอัปปนาก็ได้นะจากลมถึอัปปนาพลิกไปนะหาของเล่นนะ พลิกเป็นอภิญญาก็ได้เพราะว่าอนาปปนสติเนี่ยเป็นกษินทั้งหลายตัวนะพลิกไปเป็นกษินได้แล้วก็ถ้าจ ะ, จะเจริญปัญญาเนี่ยด้มีอนาปปนาสติมีสติระลึก ร, รู้ลมหายใจอยู่นะมันทำได้ตั้งแต่คณิกาสมาธินะจะได้ตั้งแต่เจริญปัญญาอยู่ข้างนอกเนี่ยปกติอย่างเงี้ยใช้ปัญญานำสมาธินะหรือจะใช้สมาธิ นำปัญญาก็ได้นะทำความสงบก่นถอยออกมาเห็นร่างกายที่หายใจอยู่เป็นธาตุเป็นขัน์เคลื่อนไหวก็ได้ทำสมาธิกับปัญญาควบกันเลยก็ได้ในอนาคานสติดูความเกิดดับขององชานนั้นถ้าฝึกอนาคานสติได้อันเดียวเนี่ย น, นะครับครอบคลุมกรรมาฐานเกือบหมดเลยนะดีแล้วครับเล่นลมไป แต่ว่าเราหายใจไปนะครับจิตใจมีความสุขก็รู้จิตใจมีความทุกข์ก็รู้หายใจไปจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้นะหายใจแล้วอย่าบังคับจิตแต่หายใจแล้วค่อยรู้ทันจิตไปถ้าหายใจแล้วรู้ทันจิตนะหายใจไปแล้วจิตอึดอัดรือว่าอึดอัดหายใจแล้ววันนี้สบายโล่งรู้ว่าโล่งนะหายใจแล้วสงบรือว่าสงบหายใจแล้ววันนี้ฟุ้งซ่านรือว่าฟุ้งซ่าน ใา่ใจแล้รู้ทันจิตไปเลยฝึกอันเดียวพอเลยเพราะว่าอนาคตสติมุลลุมหมดเลยครับขอบคุณหมดแล้วนะใครจิตออกนอกบ้างจิตไหลไปไห ม, ไมเราไปดูเขาเราลืมตัวเราเองนะรับพ <laughs> ่อนหน่อยนะอย่าถามอริวหาหู้ลราปาริภูเรนตีสาครัง เอวามวาอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิชตุสัพเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชนตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคาโยโกภวะ อภิวาทนาสีลิสนิจังุทธาปจายิโนจตารโรธรมาวันตีอายุวันโนสุขังพระลังมีความสุขความเจริญนะ เ, นเจริญสติให้ดีนะเราจะได้รู้จักพระพุทธเจ้า